ปัญญาบุตรสานี่ไม่ไม่ถามอะไรเลยมีแต่กราบนมัสการอยู่นั่นเนี่ไม่มีพ่อสงสัยเลยไมถามเนี่ยถามหมดแล้วถามจนถามจนยิ่งช่วยไม่ได้ถามไม่อกกระซิบถ้าลูกโกงกันแล้วเนาะยืนะลูกนี่ถ่ายได้ยังถามจนจะเกิดสมัยตั้งรยเยียถ่ายแล้วนะนั่งพอมง ธรรมะไลฟ์สดเช้าวันนี้ต่อปัญหาจากการที่ได้อธิบายธรรมะมาแต่ก่อนๆนี้โยมที่ติดตามที่เข้าเข้ามาสอบถามมีโยมนาลาชินตินก็จเจริญพร โยมอุ้มอิ่มจเจริญพรโยมดาซี่อยู่เชียงใหม่ลันยาลันยาลันยาอ๋อจำชื่อไม่ได้ชื่อเรียกกันโยมสายันชุติชัยคำถามอยู่ไหนล่ะ ชายเดชอินแทนดูทุกวันเนอะชายเดชโยมแก้วมาแล้วคำถามถามว่าวิญญาณเกิดมาจากอะไรรูปเกิดจากอะไรเวทนาเกิดจากอะไรสัญญาเกิดจากอะไรผัสสะมาจากอะไรจิตเกิดมาจากอะไรสุขทุกข์เกิดจากอะไรโลภโกรธหลงเกิดจากอะไรทั้งหมดนี้ดับอย่างไรครับ S <S ติดหัวเราะคราทําไมออการตั้งคําถามมันเป็นการตั้งประเด็นเพื่อให้เกิดการอธิบายและทำให้พวกเราได้เข้าใจด้วยว่าสิ่งที่ถามมานั้นพวกเรามีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนเราจะได้เข้าใจภายในความรู้ของเราวิญญาณเกิดจากอะไรเอาคนที่หัวเราะนี่วิญญาณก็เกิด ผัสสะที่กระทบแล้วยังไงต่อผัสสะทำให้เกิดเวทนาอาปฏิจะสมุเขาถามว่าเขาถามว่าวิญญาณเกิดจากไหนอันนี้มาพูดถึงผัสสะก่อให้เกิดเวทนาคนละเรื่องกันแล้วพูดถึงเรื่องวิญญาณก็ต้องโฟกัสที่วิญญาณเกิดจากสังขารสังขารปฏจยาวิญญาณ วิญญาณในปฏิจจสมุปบาทกับวิญญาณที่เกิดทางอายตนะเป็นวิญญาณประเภทเดียวกันหรือคนละประเภทประเภทเดียวกันหรือคนละประเภทใช่ตามที่ผมเข้าใจผมว่าประเภทเดียวกันครับไม่เข้าใจคนละประเภท เหตุเดียวกันเนี่ย<า>ไม่ทราบเพราะเหตุมาจากที่เดียวกันคือการไม่รู้ น, นาเชียงบอกเหตุมาจากที่เดียวกันหากบอกว่าเหตุมาจากที่เดียวกันวิญญาณในปฏิสมุบาทเกิดมาจากเหตุอะไรก็ความไม่รู้ครับทำให้เกิดสังขารตัวสังขารก็คือเป็นเป็นฐานของวิญ ญ, ญาณการไม่รู้ สังขารเป็นปัจจัยที่เกิดปัญญาณเขไม่รู้นี่เขาไม่คิดจะอ้อแค่แค่ว่าควายหายไปตัวหนึงเราไม่รู้ว่าควายไปไหนแต่เราเรควายไปไหนมันน่าจะเป็นทาอนอันนั้นอันนั้นมันไม่ใช่ความไม่รู้ในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่อวิชชาในทางพุทธศาสนาอวิชชาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าควายหายเราไม่รู้ว่าควายหายไปไหนเราทิดตามหาควายอยู่อย่างนั้นะมันไปทิศไหนยงไม่ใช่ความไม่รู้ไม่ใช่อย่างงั้นความไม่รู้ในทางพุทธศาสนาเป็นยังไงไม่รู้ทุก ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับไปของทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จึงเกิดการหยางลงของขันใช่ไหมการหยางลงของขันเรียกว่ากระบวนการของสังขารใช่ไหมมันไม่ใช่สังขารที่จะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ใช่การหยางลงของขันคือกระบวนการของสังขารเรียกว่าประกอบกันหรือปรุงแต่งปรุงแต่งเรียกว่ายึดถือในสิ่งใดก็ตามที่เรารับทราบรับสัมผัสแล้วเราไม่รู้ในสิ่งนั้น ไม่รู้ทุกในสิ่งนั้นไม่รู้เหตุให้เกิดทุกในสิ่งนั้นไม่รู้ความดับไปของทุกในสิ่งนั้นไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกในสิ่งนั้นจึงเกิดการย่างหรือยึดย่างแล้วยึดย่างลงแล้วยึดยึดถือในสิ่งที่เห็นการยึดถือมันจะมีการย่างลงก่อนการย่างลงของขันเรียกว่าย่างลงในอุปทานขันการยึดถือโดยอุปทานซึ่งมันเป็นธรรมชาติในการยึดถืออยู่แล้วในอุปทานนี้เช่น มองมองสิ่งใดที่หนึ่งแล้วเห็นสิ่งนั้นด้วยสายตาในสิ่งที่มองสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาเมื่อเห็นและรู้ในสิ่งที่เห็นนั้นเมื่อรับรู้การรับรู้ในเรียวิญญาณแต่เมื่อเราไม่รู้ในสิ่งที่เห็นคือรับรู้ด้วยวิญญาณจริงแต่ไม่ได้รู้ด้วยตามความเป็นจริงเยันไงมไม่ได้รู้ในสิ่งที่เห็นนั้ น, านตามความเป็นจริงจึงเกิดการยึดถือนั้นคือรูปยึดถือว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งที่ตเองเห็นว่านั้นคือรูป นั่นแหละคือการเป็นสังขารสังขาราแล้เป็นการอย่างลงของขันการยึดถือโดยอุปทานขันเสียงก็ตามเข้ามาในหูเราไม่รู้จักเสียงนั้นตามความเป็นจริงเราก็ยึดถือแล้วในเสียงว่านั้นนั่นคือเสียงนั้นเสียงนี้เสียงโลกเสียงรถเสียงเสียงต่างๆนานาเสียงเสียงมันไม่มีว่าเสียงโลกหรือเสียงรถหรือเสียงคนหรือเสียงสัตว์หรือเสียงอะไรใช่ไหมเสียงก็สักแต่ว่าเสียงใช่ไหม เสียงไม่มีเพศใช่ไหมเสียงไม่มีบุคคลตัวตนใช่ไหมแต่ที่นี้เราไม่รู้จากเสียงตามความเป็นจริงเราจึงยึดไงเราจึงยึดในเสียงพอยุดในเสียงนั้นก็คือการกระบวนการของสังขารการอย่างลงของขันการอุปทานในเสียงรนบอันนั้นเสียงรดนั้นเสียงคนในเสียงผู้หญิงนั่นเสียงผู้ชายไปยังไนั่นแหละการหยางลงของขันเป็นอย่างนั้นเมื่อมีการหยางลงของขันกระบวนการแห่งสังขารจึงมีสังขารก็คือ สิ่งที่ได้ยินนั้นประกอบเป็นบุญหรือประกอบเป็นบาปเป็นกุศลสังขารหรือกุศลสังขารใช่ไหมหลังหรือจะเป็นอัพยากะตะสังขารก็เรียกว่าอีกอะไรนะอเนอเนชาพี่สังขารอาเนนชาคือรู้รู้เสียงรู้จากเสียงนั้นแต่ไม่หวนไว้ในเสียงคือไม่ประกอบไปด้วยกุศลกับอกุศลเป็นกลางๆเป็นนิ่งๆเป็นอเนนชาแต่ก็เป็นสังขารหนึ่ง อันสังขารเนี่ยจะนำไป ส, สู่การเกิดวิญญาณปฏิสนธิคาว่าวิญญาณปฏิสนธิคือการสืบต่อการรับรู้การสืบต่อการรับรู้นี่เองจะก่อให้เกิดนามกับรูปใช่ล่ะอันนี้ในปฏิจจสมุปบาทนะถามว่าวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทกับวิญญาณในอายตนะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เหมือนกันหรือต่างอันนี้บอกเหมือนไม่บอกว่าคนละเป็นประเทศเดียวกันไม่ใช่คนละประเภทมันคนละประเภทเลยนะไม่ใช่ประเภทเดียวกันนะวิญญาณในปฏิสมูบาทเป็นวิญญาณสายสมุไทยใช่ไมสมุไยวานใช่ไหมวิญญาณทางอจตนะเป็นทุกขสัจจะใช่คนละอย่างกันเลยนะวิญญาณในการรับรู้อย่างเงี้ยเป็นทุกขสัจจะเป็นสิ่งที่ควรกาหนดรู้ วิญญาณในปฏิสูบทเป็นวิญญาณที่ต้องละใช่ไหมเป็นสายสมุทัยนะ่ะสมุทัยวานเห็นไหมการรับรู้หรือทําการไข่คว้นโดยไม่แยกภยัยจะทําให้เราไม่สามารถแยกแยะและก็ปฏิบัติ ต, ต่อวิญญาณในแต่ละชนิดได้อ้าววิญญาณมีหลายชนิดเหรอมันไม่ได้มีหลายชนิดนะ่ะมันก็แค่ปรากฏในสิ่งที่เห็นวิญญาณนะการรับรู้นะรับรู้ในสิ่งที่เห็นอาการรับรู้ทั้งหมดเรียกว่าวิญญาณเห็นอะไรรับรู้อันนั้น เรว่าวิญญาณได้ยินเสียงอะไรแล้วรับรู้เสียงนั้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณจากที่สิ่งที่เห็นเรียกว่าวิญญาณทางตาวิญญาณจากเสียงที่ได้ยินวิญญาณทางหูคือการรับรู้ทางหูวิญญาณที่เกิดร่วมกับจมูกคือการรับรู้ทางกลิ่นเรียกว่าฐานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกการรับรู้ทางจมูกวิญญาณที่เกิดทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดทางการกระทบกายสัมผัสกายรับรู้การสัมผัสแตะตัวเองก็สัมผัสรับรู้ในการสัมผัสนี่ ก็คือกายยบิน ญ, ญาณใช่ไหมวิญญาณที่เกิดกับกายเกิดในกายเป็นกายย่ินญาณวิญญาณที่เกิดกับใจเรียกว่ามโนวิญญาณคืออารมณ์สัมผัสกับใจวิญญาณพวกนี้จัดเป็นทุกขสัจจะวิญญาณตามอายตนะนี่นะเป็นทุกขสัจจะไม่ต้องไปละให้กําหนดรู้รอบรู้มันแต่วิญญาณในปฏิสุบาต้ตองละทําไมต้องละมันคนละตัวกันเลยกับวิญญาณตัวนี้เนื่องจาก มีการหยั่งลงของขันเมื่อเราเห็นสิ่งใดก็ตามเรารู้แล้วเกิดวิญญาณใช่ไหมเมื่อรู้แล้วปั๊บแต่เราไม่รู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นปฏิเสบุบาททันทีคือจะเป็นสายเกิดเลยที่นี่คือการหยั่งลงคําว่ายั่งลงของวิญญาณตัวนี้คือตัวความรู้ตัววิญญาณตัวนี้เรียกว่าปฏิสนธิจะสืบต่อตัวมันสืบต่อกันสืบต่อตัวมันเนี่ยเป็นการสืบต่อพพชาติปกติเห็นสิ่งใดเกิดรับรู้สิ่งนั้นมันก็จะดับใช่ไหมหลัง มันก็จะดับตัวมันวิญญาณก็จะดับไปละจากสิ่งที่เห็นละจากสิ่งที่ได้ยินละจากกินที่ดมละจากลิ้มรสในอาหารละจากกายสัมผัสละจากอารมณ์ที่เกิดกับใจละสิ่งเหล่านี้ออกมาได้แล้ววิญญาณก็ดับใช่ไหมวิญญาณดับแต่เมื่อความไม่รู้ยังไม่ดับความไม่รู้ยังมีอยู่วิญญาณยังจะสื่อต่อแม้ตัววิญญาณทางอยตนาจะดับก็จริงแต่วิญญาณในปฏิสนธิยังจะสืบตัวต่อตัวมันอยู่นะเป็นมูลเหตุ มาจากอะไรมาจากการยังลงของขันทําไมถึงมีการยังลงของขันเพราะไม่รู้สิ่งที่เห็นนั้นตามความเป็นจริงคือไม่รู้รูปตามความเป็นจริงไม่รู้เสียงตามความเป็นจริงไม่รู้กลิ่นตามความเป็นจริงไม่รู้รสไม่รู้การสัมผัสตามความเป็นจริงและไม่รู้อารมณ์ที่เกิดกับใจตามความเป็นจริงจึงเกิดวิญญาณปฏิสนธิสืบต่อตัวมันวิญญาณปฏิสนธิก่อให้เกิดนามกับรูปใช่ไหมนามกับรูปนามคือ นามนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลูกคือตัวเราคือท่าสีเนี่ยเกาะตอกเกาะตัวมาอย่างเงี้ยเห็นไหมและสินี้คือกระบวนการเหตุแห่งทุกความทุกข์ก็เกิดขึ้นโดยประการชนิดพุทธเจา้าไว้อย่างเงี้ยก็ น, นามและลูกก็เกิดให้อายตนะเพราะฉะนั้นวิญญาณเกิดจากอะไรตอบได้สองอย่างเกิดจากการสัมผัสรับรู้ทางอายตนะทั้งห เมื่อสัมผัสรับรู้อะไรแล้วจึงเกิดวิญญาณในสิ่งนั้นอันนี้คือตอบแบบหนึ่งตอบแบบที่2วิญญาณมาจากการย่างลงของขันการยึดถือในขันการย่างลงในตัวอุปทานขันประทานขันทั้งหมดคือเห็นรูปก็ยึดในรูปทั้งหมดเต็มๆ เ, เช่นเห็นผู้หญิงก็ยึดในความเป็นผู้หญิงเต็มๆ เ, เห็นผู้ชายก็ยึดในความเป็นผู้ชายเต็มๆอย่างเงี้ยหากรู้ตามความเป็นจริงแล้ว ไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายใช่ไหมก็ก็ก็รู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นการยังลงของขันก็ไม่มีอุปทานที่จะยึดในความเป็นหญิงเป็นชายไม่มีวิญญาณจะสืบต่อได้ไหมล่ะไม่ได้จะสืบต่อว่าผู้นี้คือหญิงผู้นี้คือชายอยู่ตลอดเวลาได้ไหมไม่ได้นี่ไงมันก็รู้ตามความเป็นจริงอยู่แต่การรับรู้หรือว่าการสืบต่อโดยอุปทานขันมันมันต้องมีเช่นรับรู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายนั้นด้วยอุปทานขัน การรับรู้โดยอุปทานขันนะ่มันเป็นอีกตัวของอุปทานขันตัางหากมันคนละอย่างคนละอย่างกับคนละอย่างกับอันที่พระพุทธเจ้าทรงบอกให้ละตัวเนี้ยคืออวิชชาตัวเนี้ยคนละอย่างกันวนะิญญาณมาจากการรับรู้หากไม่มีการรับรู้ก็ไม่มีวิญญาณ หากไม่มีลูกไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารวิญญาณก็จะไม่มีเพราะวิญญาณจะเกิดขึ้นมาเพื่อรับรู้ลูกเวท น, นาสัญญาสังขารเท่า น, นั้นเองแล้วก็รับรู้ตัวของมันเองคือรู้ในสิ่งที่มันรู้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นวิญญาณจะดับวิญญาณจะดับก็ต่อเมื่อมันก็ มันก็ดับอยู่แล้วใช่ไหมวิญญาณก็เกิดก็ดับอยู่แล้วเมื่อเห็นในขณะที่เห็นรับรู้ในสิ่งที่เห็นเกิดการรู้แล้วก็ดับแล้วใช่ไหมแต่สิ่งนั้นสิ่งที่เห็นยังผัสสะกับสายตาอยู่ตลอดก็เกิดดับเกิดดับรับรู้กันอยู่ตลอดเหมือนกับว่ามีอยู่ตลอดแต่จริงๆมันเกิดดับเกิดดับรับรู้กันอยู่ทุกๆขณะมันไม่ใช่เห็นเกิดรู้จนกว่าจะละสายตาในสิ่งที่เห็นแล้วดับไม่ใช่อย่างนั้นนะ มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับในระหว่างนั้นอยู่แล้วอันนี้คือวิญ ญ, ญาณที่จากอายตนะส่วนวิ ญ, ญญาณปฏิสนธิเรียกว่าปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณที่มาจากสังขารที่สืบเรื่องมาจากอาวิชานี้เมื่ออวิชาดับคืออวิชาดับดับเมื่อสัมผัสกับนิพพานเมื่ อ, อไรจิตสัมผัสกับนิพพานเมืออ่อไรอวิชาดับเมื่อนั้น และเมื่อวิชาดับเมื่อไหร่วิญญาณปฏิสนธิก็ดับเมื่อนั้นเหมือนกันรูปเกิดจากอะไรรูปก็เกิดมาจากธาตุทั้ง4ประกอบกันเข้าดินน้ำไฟลมประกอบเปนเข้าเวทนามาจากอะไรเวทนามาจากเจตสิกคือสภาพปรุงแตง่งเวทนาเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตไหนเรียกว่าเจตสิกธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตธรรมชาตินั้นเรียก ว, ว่าเจตสิกมีเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต เวทนาบางอย่างแม้เกิดที่กายแต่ก็ปรุงแต่งที่จิตใช่ไห ม, ไมเจ็บในกายอันที่รู้ว่าเจ็บคือจิตใช่ไหมฉะนั้นความเจ็บส่งทรงผ่านความรู้แห่งความเจ็บนี้ไปเข้าไปหาจิตถูกต้องไหมนั่นคือประกอบจิตหรือว่าปรุงแต่งจิตนั่นเองวิญญาณเกิดกับกายก็จริงกายเป็นแค่ทางผ่านในการรับกระทบเช่นตบ หรือว่าจับอย่างเงี้ยรับรู้เป็นทางผ่านเข้าไปการรับรู้เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยเใช่ไหมเราจับเราอย่างเงี้ยเราก็เฉยเพอเฉยเยไอความเฉยเนี่ยแม้เกิดที่กายก็จริงนะมันจะทรงผ่านการเฉยเนี่ยเข้าไปประกอบจิตหรือปรุงแต่งจิตให้รู้สึกเป็นโสมนัสโทมนัสหรืออุเบขาใช่ไหมหากสิ่งที่มากระทบนั้นเจ็บมันจะไปประกอบจิต โสมนัสหรือโทมนัสโทมานัสใช่ไหมรู้สึกไม่ดีเงี้ยโทมนัสหากสิ่งที่มาสัมผัสอ่อนนิม่มสบายก็จะเป็นโสมนัสสบายใจหาสิ่งมาสัมผัสเฉยๆธรรมดาธรรมดานมมืออสสัผัผี่ก็จะเป็นอุทุคมาสุขาเวทนาส่งพันเข้าไปให้เกิดประกอบใจให้เกิดเป็นอุเบขาคือเฉยๆธรรมดาธรรมดานี่คือเวทนาเกิดจาก เกจติกมาจากเกจตรริกเกิดมาจากเจติกธรรมชาติปรุงแตง่งกิจที่มีสิ่งเข้ามาสัมผัสสัมผัสจึงเกิดเมื่อไม่สัมผัสก็ไม่เกิดสัญญาก็มาจากเกจตรริกภาษาก็ภาษาเกิดมาจากอายตนะภายในภายนอกหากมีอายตนะภายในไม่มีอายตนะภายนอกภาษะ ก, ก็เกิดไม่ได้หากมีอายตนะภายนอกไม่มีอายตนะภายใน ผัสสะก็เกิดไม่ได้มีสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาแต่ดวงตามองไม่เห็นผัสสะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้มีหูแต่มีเสียงแต่หูการรับรู้ทางหูไม่มีผัสสะทางหูไม่มีก็ไม่เกิดไม่ไม่สามารถที่จะรับเสียงได้มีกลิ่นแต่การรับรู้ทางจมูกไม่มีอัจฉระภายในไม่มีก็เกิดเป็นผัสสะไม่ได้ ฉะนั้นผัสสะจะเกิดได้ด้วยเหตุปัจจัย2ประการคืออาศัยรูปอาศัยสายตาที่มองเห็นอาศัยเสียงอาศัย ห, หูที่ได้ยินอาศัยทสองอย่างเนี่ยทั้งส อ, งอย่างทั้งภายในภายนอกตาหูจะบุกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัะและธรรมอารมณ์กระทบกันอย่างเงี้ยจึงเป็นภาาัสสะจิตเกิดมาจากอะไรจิตเกิดมาจากการปรุงแต่งของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญา การปรุงแต่งของเวทนาสัญญาสังขันและบัญญาณนี่เองจึงทําให้มีจิตเกิดขึ้นดำลงอยู่เหมือนกับกายของเราปรุงแต่งมาจากดินน้ําไฟลมสี่อย่างมีดินมีน้ํามีไฟมีลมจึงมีกายนี้ไม่มีดินไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีลมกายนี้ก็ไม่มีใช่ไหมเพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นมูลเหตุของกายก็บอกเอาเทวราไม่เห็นต้องมีดินน้ําไฟลมทํำไมมีกายผีก็มีรูปร่างกายมีสิทำไมจะไม่มีดินน้ําไฟลม ถ้ามีดินน้ำไฟลมทําไมเรามองไม่เห็นของเขามันเป็นดินทิพย์ใช่ไหมน้ําทิพย์ลมทิพย์ไฟทิพย์ใช่ไหมมันเป็นแบบทิพย์ดินก็ดินทิพย์มันเป็นเป็นรูปกายแบบทิพย์แต่ถ้าปาศจากดินมันเป็นไปไม่ได้ไม่สามารถมีรูปได้เอาเขาบอกมันไม่ใช่น้ำมะกลายเหรือเทวดาในน้ำมะกลายก็ต้องปรุงแต่งมาจากรูปรูปก็ต้องประกอบมาจากธาตุดินน้ำไฟลมในน้ำมะกลายนั้นน่ะ เพราะโดยลำพังตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไ ม, ไม่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีตัวตนไม่มีความเป็นรูปร่างเพราะฉะนั้นความเป็นรูปร่างปรากฏขึ้นก็ต้องอาศัยดินน้ำไฟลมซึ่งเป็นรูปทิพย์ดินทิพย์น้ำทิพย์ไฟทิพย์ลมทิพย์เทวดายังมีการบริโภคอาหารอยู่ใช่ไหมตามที่เราได้ยินใช่ไหมแต่เราไม่ได้ไปเห็นหรอกรรใช่ไหมล่ะอาหารก็เป็นทิพย์ใช่ไหมล่ะอาหารก็คืออะไรก็สภาพดินน้ำไฟลมนี่แหละที่สร้างขึ้นด้วยบุญ ถูกต้องไหมมันเป็นแบบทิพต์เขาบอกเอาดินทิพต์มีด้วยแล้วเอามีสิทําไมจะไม่มีมันไม่มีเฉพาะอยู่ในนิพพานเท่านั้นในพรมก็ยังมีเลยแต่แบบละเอียดไงในพรมละเอียดกว่าเทวราพระเจ้าบอกว่าที่ที่ไม่มีดินน้ําไฟลมมีที่เดียวคือพระนิพพานไม่มีดินไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีอากาศไม่มีวิญญาณธาตุไม่มีอากาศสารนันใจยานนาวิญญาณนันใจยานนไม่มีการไปไม่มีการมา ที่เดียวเท่านั้นที่ไม่มีนอกนั้นมีหมดนะเพราะฉะนั้นจิตก็มาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณประกอบกันเข้าจึงมีจิตเมื่อไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญ ญ, ญาณจิตก็ไม่มีเาเรียกจิตคือผลรวมของนามสี่นา ม, มขันสี่กายคือผลรวมของ54เข้าใจนะสุทุคเกิดจากอะไร สุขทุกข์ในความหมายนี้ไม่ใช่คงจะไม่ใช่เวทนาในความหมายนะเพราะเวทนาได้ถามมาแล้วว่ามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์แต่สุขทุกข์สองอย่างเนี่ยเกิดจากอะไรหมายถึงว่าความเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะก็จะขอตอบว่าอาการที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี้เป็นมาจากการที่เราตั้งค่าความรู้สึกไว้การตั้งค่าความรู้สึกไว้เรียกว่ากําหนดไหม การกำหนดหมายเรียกว่ามีเขาเรียกว่ากำหนดยินดีในอย่างใดอย่างหนึ่งไว้การกำหนดยินดีในอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจึงเป็นที่พึงพอใจกับเราเมื่อมีกำหนดหมายอย่างนั้นสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวเองกำหนดไว้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความทุกข์สิ่งที่ตัวเองกำหนดไว้ในสิ่งที่ตัวเองพอใจสิ่งนั้นจะเรียกว่าความสุขเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีความสุขความทุกข์ไม่เหมือนกันอยู่ที่การการที่คนกำหนดไว้ในแต่ละคนมงคลบอกว่า เราต้องมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างเราถึงจะมีความสุขจึงสแสวงหาทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้ได้มาเกิดความร่ำรวยมีทุกอย่างเต็มความพอใจของตนเองกําหนดความสุขไว้อย่างนั้นก็เลยสแสวงหาความสุขอย่างนั้นก็เลยมีความสุขและเสีสุขอยู่กับวิถีอย่างนั้นบนงคนก็บอกว่าโอ้ยนั่งนอนอยู่กับท่อมไปนาะแค่นี้ก็พอแล้วกินผักข้างรั้วกินข้าวกินแจ่วกิน อะไรตามที่ตามนาที่พอจะหากินได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเขากําหนดความสุขไว้อย่างนั้นไงเห็น ไ, ไหมคือเมื่อเขากําหนดความสุขไว้อย่างนั้นเขาก็ยินดีในความสุขอย่างนั้นอะไรที่เป็นความเจริญเข้ามาสู่เขาเขาก็ไม่ชอบเขาก็ขัดแย้งที่นี่เราก็จะเห็นได้บางที่เนี่ยนายทุนมาขอซื้อที่จะสร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นมาเขาเขาก็ไม่ต้องการความเจริญเขาชอบอยู่แบบที่ไหล่ปลายนาอะไรประเภทนี้ใช่ไหมล่ะ ก็มีความทุกข์ในสิ่งเหล่านั้นเข้ามาบีบครั้นความสุขความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากความกำหนัดยินดีในบางสิ่งบางอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นขัดแย้งกับสิ่งที่ตัเองพอใจอยู่ก็เกิดเป็นความทุกข์สาเหตุก็คือการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของตนเองนั่นแหละจึงเกิดปีสุขปีทุกข์ขึ้นพระเจ้าไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะพระองค์ไม่ไม่มีการกําหนดหมายในสิ่งใดๆชีวิตเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผมก็บอกอย่างนี้ เหตปัจจัยที่จะอยู่แบบในป่าพงก็อยู่อยู่ในเมืองพงก็อยู่อยู่ในถ้ำพงก็อยู่ภูเขาพงก็อยู่ป่าช้าพงก็อยู่ป่าสารราชวังพงก็เคยอยู่ก็อยู่ได้หมดไม่กําหนดหมายในที่ใดๆดพงก็เลยไม่มีสุขไม่มีทุกข์จิตก็เลยเป็นปกติจิตธรรมาธรรมารดาโลปโกรธหลงเกิดจากอะไรเออเกิดจากอะไรโลปโกรธหลงพวกเราเนี่ยเกิดจากอะไร ถามพวกเราอนุสัยอนุใสอนุใสคืออะไรกิเลส น, น, นอนเนื่องกิเลสนอนเนื่องตอนเกิดมาใหม่ๆเด็กรู้จักความโลภไห ม, มเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเป็นทาโลกรู้จักความโกรธไหมรู้จักความหลงไหมแต่ในตัวเด็กมีรมโรคมีโกรธมีหลงไหมมีเกิอดากอาวิชาอ๋อเกิดอาวิชา ตอเด็กม huh ันไม่รู้จักโลภอะไรมันไม่ต้องการอะไรมันไม่รู้จักโกรธใครไม่หลงอะไรแต่ในตัวมันมันมีได้ยังไงโลภโกรธหลงมีได้ยังไงออกอนุใสติดตัวมาอนุใสติดตัวมาอนุสัยคือการนอนเนื่องใช่ไหมคําว่านอนเนื่องจะนอนเนืองในเวทนาใช่ไหมในเวทานาทั้งสามนะอนุสัยนี่ราคะอนุใสปฏิฆานุใสอวิชานุสัยจะนอนเนื่องในเวทนาทั้งสามนะ หากไม่มีเวทนาอนุสัยก็จะไม่มีถูกต้องนะเพราะมันต้องนอนเนื่องในในเวทนาเด็กมีเวทนาไหมมีไม่ได้กินก็ร้องไม่ได้กินก็ร้อ ง, องปวดท้องปวดชีปวดขี้ปวดเยี่ยวก็ต้องร้องไม่สบายก็ร้องคันก็ร้องอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นอนุสัยแล้ว เขาเรียกว่าอนุสใสหรือเปล่าอไม่แน่จะใช่อนุใสพระโมคขารานะมีอยู่คราวครั้งหนึ่งพระโมคขารานะอาพาธหนักเจ็บป่วยมา ก, มากพระเจ้าเข้าไปเยี่ยมว่าถามพระโมคขารานะว่าอาพาธเธอเป็นอย่างไรบ้างโมกขารนะพอทุเราลงบ้างไหมพระโมกคารานะบอกว่าไม่ทุเราเลยพระเจ้าข่าข้าพง์เจ็บปวดมากเจ็บปวดจงร้องร้องกวนขางอวดโอยเลยนะ้ การลองควรค้างอดโอยอย่างเนี้ยเป็นอนุใสไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าพระอรหันต์เป็นผู้กําจัดอนุใสได้สิ้นแล้วแต่ทําไมพระโมโหรันะยังต้องลองควรค้างอดโอยยังบอกว่าเจ็บเจบอยู่มันเป็นการทำหน้าที่ของขันมันเป็นการทำหน้าที่ของขันนะครับเอาแสดงว่าเด็กร้องไห้ก็เป็นการทำหน้าที่ของขันเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่อนุสัย แปลว่าในขนาดนั in ้นไม่มีอนุส uh mm ัยแปลว่าเด็กเนี่ยในทาลกนั้นไม่ไม่มีกิเลสเขาเลยว่าเด็กบริสุทธิ์ฮะเป็นไปโดยธรรมชาติเป็นไปโดยธรรมชาติเหมือนยังไงเมือนยังไงก็นึกมืออกันฮะ แล้วอนุสสมันจะเริญเติบโตตอนไหนอนุสัยจำความได้ไหมเอา้าผมว่ามันมันน่าจะอยู่ที่สัญญาสัญญามันน่าจะไปอยู่ที่สันก็บอกแล้วว่ามันอยู่ที่เวทนาอ ย, ทอยู่ที่เวทนาก็จึงถามว่าเด็กไม่มีเวทนาหรอือถ้าเด็กมีเวทนาอนุสัยก็ต้องมีถูกต้องไห ม, ไ ม, มเด็กลาคะในอะไรเอา้าาคะในไม่มีอ่ะเด็กปฏิฆะในอะไรเอ้ มันกไมมีแต่เด็กมีอวิชานุสัยคือความไม่รู้ตามนอนอยู่เข้าใจไหมอวิชานุสัยที่มันนอนเนื่องนี่เองมันจะรวบรวมอนุสัยทั้งสองไว้ในตัวของอวิชานเข้าใจไหมอวิชานุสัยไม่ได้เป็นตัวแสดงอาการอะไรนะคือมันไม่ทําอะไรด้วยความไม่รู้เข้าใจไหมร้องก็ร้องขึ้นมาด้วยความไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ร้องขี้ก็จะร้องเยี่ยวก็จะร้องพอเราโตขึ้นมาเราปวดขี้เราจะร้องไหมปวดเยี่ยวเราลองไหมหิวเราต้องลองไหม แต่เด็กทำไมมันร้องอ่ะอะวิชานุสัยยังไงมันไม่รู้มันก็ร้องขึ้นมาตามภาษาของมันอ่ะ <c oughs> อวิชานุสัยตามนอนเมื่ออวิชานุสัยตามนอนอยู่มันอนุสัยอีกสองอย่างคือร า, าคานุสัยปฏิฆานุสัยจึงจึงอยู่ในตัวนี้ตัวอวิชานุสัยนี่ <c oughs> นอนอยู่ในสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมัสุขเวทนาท เ, นาขขาเนาพราะมันไม่รู้มันไม่รู้สิ่งที่มันเป็นอยู่ พอมันเติบโตมาลุ้ยเรื่อยๆ อ, ยอวิชร า, าคาอนุสัยกับปฏิคันอุัสก็แตกหนอออกมาจากอาวิชานี้เพราะฉะนั้นมูลเหตุทั้งหมดของความรบความโกรธความหลงคืออวิชชาใช่ไหมอนะเอางีา้ถ้าเราบอกว่าจากอวิชชาหากว่า เราถูกสอนมาว่าเราไม่จำเป็นต้องมีเงินมากๆหรือเงินไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตของเราเราเพียงแค่ดำรงชีพด้วยอาหารเราจะมีความโลภในทรัพย์สมบัติไหมหาเราถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นหมายถึงว่าในโลกนี้ไม่มีการใช้ใจทรัพย์หรือไม่ให้คุณค่ากับทรัพย์สินเงินทองหมายถึงว่ามีเพชรกองอยู่ต่อหน้าเราแล้วก็ ไม่มีคุณค่าก็กแผบพื้นดินที่เราจะต้องทําไร่ไถนาเอามาเป็นเอาข้าวมาเลี้ยงอาหารอย่างเงี้ยเราจะต้องเราจะมีความโลภในทรัพย์ยไหมเมื่อทรัพย์เหล่านั้นเช่นเพชรนีนกินดาที่อยู่กองต่อห น, น้าเรามีคนมาขโมยไปเราจะโกรธเขาไหมไม่โกรธแล้วเราจะหลงในทรัพย์สมบัติพวกนี้ไหมไม่หลงแต่ว่าโลคโกรธหลงมันเกิดจากอะไรเกิด จ, จากการ ต, าาาตั้งค่าอีกค่ะ ตั้งค่ามนุษย์เริ่มแรกเอามนุษย์เริ่มแรกที่ก็เรียกว่ามนุษย์ต้นกับที่เลิกแรกเลยต้นกับที่เราอภิปริตกาที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยว่าผุดเกิดขึ้นเนี่ยเขาอาศัยอะไรงวนดินใช่ไหมเอาเพชรมาให้มันมันเอาไหมมันจะเอาอะไรเอางวนดินใช่ไหมพอองวนดินหายไปเกิดอะไรขึ้นกะบีดินใช่ไหมกบีดินมีลักษณะคล้ายเห็ดใช่ไหมหล่ะ เอาเพชรพอยมาฮะมันมันเอาไหมมันมันเอากระบี่ดิ น, นเพชรพอยมันกินไม่ได้มันจะกินกระบี่ดินพอกรบี่ดินหายไปเกิดเป็นเครือดินใช่ไหมขายลูกมะพร้าวเกิดขึ้นมันก็เอาเครือดินยึดเครือดินเป็นอาหารเพราะอาหารคือสิ่งที่มันต้องการคืออาหารใช่ไหมล่ะถามว่าในครั้งแรกๆอที่เขาที่เขากินกินพวกนี้ยพอพอหมดจากเครือดินก็เป็นข้าวสาลีเกิดขึ้นใช่ไหม พอมีข้าวสาลีเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีมาไว้เป็นของตนเองมากๆอันนี้คือโลภเลยใช่ไหมเพราะเห็นว่าตนเองเนี่ยดํารงชีพด้วยข้าวสาลีความโลภเกิดขึ้นจริงๆความโลภมันเกิดขึ้นตั้งแต่กระบีดินแล้วเอ้ยเอออะไรงววดินแล้วเพราะตอนที่งววดินเกิดขึ้นเนี่ยพยายามที่จะปั้นปั้นเป็นคําเอามากินคือโลภในภพระบาลีจึงพูดไปว่าเพราะความโลภของคมเหล่านี้เป็นเหตุ เห็นไหมคือตอนแรกว่าจะแตะลิ้มชิมดูว่ามันเป็นยังไงแน่งวนดินพอแตะปั๊บมันซึมซาบเข้าไปในตัวเกิดความพึงพอใจที่นี่อะไรที่นี่ก็เกิดการปั้นกินเป็นคำๆนะคนเราเวลาได้รับอาหารเจออาหารที่ถูกใจก็จะกินอาหารนั้นนั่นะ มีหารอื่นตั้งอยู่เต็มตโต๊ะก็จะมีกินจะกินแต่อันนั้นอันเนี้ยอันเนี้เรียกว่าโรบไหมฮะมันชอบชอบพอใจพอใจอย่างไรกันแน่เอ า, อางี้ความโรบเราเราจะพูดถึงอะไรดีว่ามันโรบเกิดมาจากอะไรมันไม่ใช่อจินไตมัไนไม่ใช่อจินไตเป็นสิ่งที่คิดถึงได้ไ สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมเวทนาทั้งสามเนี่ยเรามีสุขในอะไรเราก็ปัาตานะจะให้ได้สุขในสิ่งนั้นเรามีทุกข์ในอะไรเราก็ปฏิฆาปฏิเสธโกรธเคืองในสิ่งนั้นอาทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นหรือไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นเราก็เฉยเฉยก็กลายกลเป็นอวิชชาคือความไม่รู้คือหลง หลงไม่รู้ความเฉยที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นก็มาจากสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ในชีวิตนี่แหละนี่แหละคือมวลเหตุของความโลภความโกรธความหลงทั้งหมดนี้ดับได้อย่างไรดับตัวเดียวคือดับอวิชชาใช่ไหมเมื่อดับอวิชชาโดยไม่เหลือแล้วสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับบิญญาณดับเมื่อบิณญาณดับนำนาำรูปดับนำรูปดับภัสสะอายทนาดับอายทนาดับแล้วภัสสะดับเมื่อภัสสะดับเบทานาดับ ดับไปจะถึงความทุกทั้งปวงดับแต่การดับอวิชชาโดยไม่เหลือนั้นต้องเป็นการดับด้วยการรู้เห็นพันิพันถูกต้องไหมนะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนี้ดับด้วยธรรมชาติแห่งการไม่สืบต่อก็คือพันิพันนเองถามว่าตักบาตรผมเห็นคนชอบยืนตักบาตรพระเหมาะสมไหมส่วนผมถอดเท้า ถอดเท้าคือถอดเท้าตัวเองนี่เหรอถอดรองเท้าสิเนี่ยพิมพ์เร็วเกินไปใช้สติหน่อยถอดเท้านั่งตักบาตรพระเหมาะสมไหมครับการยืนไม่ได้เป็นการผิดแต่ประการใดการยืนใส่บาตรไม่ได้ผิดห ม, มอกพูดสูงมั่งไจริงๆแล้วควรยืนใส่บาตรด้วยซ้ําที่ถูกต้องนะ ควรยืนใส่บาตรด้วยซ้ำไม่ควรจะนั่งเพราะถ้านั่งคนก็จะต่ําพระก็ต้องก้มลงไปอีกพอพระยืนอยู่ก้มรับเอาบาตรอย่างเงี้ยมันรับอาหารมาใส่ในบาตรอย่างเงี้ยจริงๆควรจะยืนและในในข้อข้อคาถามนี้น่าจะถามว่าถอดรองเท้ากับใส่รองเท้าอะไรควรเหมาะหรือไม่เหมาะใช่ไหมอาตามาว่า จะถอดก็ได้หรือไม่ถอดก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรทั้งสิน้นแต่คนทั่วไปเห็นว่าคือเห็นว่าพระไม่ใส่รองเท้าเราก็ไม่ควรจะใส่รองเท้าแต่ในบางคนโดยเฉพาะคนเมืองเขาก็ใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าไปทําการทํางานอยากจะใส่บาตหากเขาถอดถุงเท้าออกมาแล้วเหยียบบนพื้นหับหน้าฝนแฉะอย่างนี้เหยียบบนพื้นถนนเากา ก, ก็ต้องเกิดความสกปรกขึ้นใช่ไหมล่ะอับชื้นขึ้นเวลาเขาใส่รองเท้าหุ่มส้นเนี้ เขาก็ต้องใส่รองเท้าเพื่อใส่บาตรมันอยู่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมความเคารพทุกคนอาตมาชเชื่อว่าในหมู่ชาวพุทธก็ต้องเคารพพระสงฆ์อยู่แล้วไม่มีความเคารพจะไม่ใส่บาตร ท, ทาไมก็เคารพท่านอย่างเงี้ยว่าท่านเป็นพระสงฆ์เคารพศรัทธาเลื่อมใสจึงมาใส่บาตรการใส่ก็มีความเคารพนอบน้อมด้วยใจอยู่แล้วส่วนภายนอกเป็นเพียงแค่กิเลสไม่ได้ถือเอาเป็นประมาณใครพอใจที่จะถอดก็ได้ใคร พอใจที่จะใส่ก็ได้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันแต่มันมันจะมีความไม่เหมาะสมก็ต่อเมื่อพระภิกษุยืนยืนกล่าวธรรมโยมนั่งฟังธรรมอันนี้ไม่เหมาะถือว่าไม่ให้การเคารพธรรมภิกษุยืนในที่ต่าแล้วกล่าวธรรมโยมนั่งอยู่บนที่สูงฟังธรรมไม่เหมาะนอกจากคนป่วยนะได้ คือมันอยู่ในข้อความไม่เหมาะสมอยู่ในในข้อของอการแสดงธรรมพิสูจถอดรองเท้าแสดงธรรมแก่โยมพูดใส่รองเท้าอันเนี้ยไม่เหมาะไม่ถูกอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ไม่ได้ให้พรก็ไม่ได้อันนั้นผิดให้พรตอนเทีเาถามว่าเพราะเหตุใดความทุกข์มีโทษมากครับ ก็ในความทุกข์มันไม่มีความสุขเลยมันก็เลยมีโทษมันมันทําให้จิตใจกวนกวายทําให้จิตใจเดือดร้อนเอ๊ะต้องถามด้วยเหลอครับนี่นาลาชินตินต้องถามด้วยเลยว่าเหตุใดความทุกข์ถึงมีโทษพระพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ แต่ความทุกข์สามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้อันสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนั่นแหละแต่ชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้โทษของความทุกข์เป็นโทษโดยการที่เราทําให้เราไม่ได้รับความสุขในปัจจุบันแต่หากเราใช้ความทุกข์เป็นเครื่องฝึกฝนจิตใจก็สามารถสร้างประโยชน์จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ชีวิตซึ่งมีความทุกข์อยู่แล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากความทุกข์ที่มีอยู่แล้วนี้พัฒนาฝึกแล้วก็ฝึกฝนกจิตใจตัวเองเพื่อให้ก้าวเข้าไปสู่หลักธรรมหลักแห่งการอยู่เหนือสภาวะแห่งความเป็นสุขเป็นทุกข์ในโลกนี้ใช้ความทุกข์นี่แหละเป็นเครื่องฝึกฝนคนที่มีความทุกข์มากๆก จิตใจจะคิดถึงคิดถึงสิ่งดีๆก็ไม่ค่อยได้ในในบุคคลผู้มีความทุกข์มากเป็นใครรู้ไหมบุคคลผู้นี้รับความทุกข์มากเอาอย่างนี้ดีกว่าคนคนยากจนคนยากจนที่อยู่กับการงานทำการงานการการงานอยู่ด้วยความแล้นแค้น จิตใจก็มุ่งแสวงหาแต่การเลี้ยงชีพคิดอยู่แต่ว่าเราจะเลี้ยงชีพอย่างไรให้ตนเองเป็นไปได้ในแต่ละวันเช่นคนขอทานก็คิดอยู่ว่าเราจะไปขอทานที่ไหนเราจะขอทานที่ไหนคนขอทานจะคิดอยู่ไหมว่าเรามีทุกเหตุให้เกิดทุกคือการเกิดขึ้นเขาจะไม่ค่อยคิดคือโดยทั่วไปนะนอกจากว่าขอทานขอทานนั้นได้รับคําสอนชี้ให้เห็นมูลเหตุแห่งความทุกข์เล็ก การเกิดขึ้นของความทุกข์และความเป็นอยู่เป็นไปของชีวิตที่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์ย่อมคิดอยู่แต่ว่าทํำยังไงตนเองจะพ้นหรือว่าบรรเทาทุกข์ในแต่ละครั้งได้จิตที่จะคิดน้กยังมาทางธรรมจะไม่ค่อยมีส่วนคนที่มีความสุขนะไม่ค่อยมีความทุกข์จิตที่จะคิดให้ตัวเองดิ้นรนอยู่กับการเป็นอยู่นั้นก็ไม่ค่อยมากแต่จิตที่จะ ยึดติดในความสุขจช่ไหมเสพสุขก็มีแต่โดยทั่วไปแล้วคนที่เสพสุกเขจะรู้ว่าชีวิตจริงๆไม่ได้อยู่การเสพสุขอันเป็นส่วนน้อยที่หลงว่าความสุขอยู่การเสพอันนั้นคือส่วนน้อยแต่โดยส่วนมากคนที่สแสวงหาลวด ก, กรอบโวยความสุขเข้าใส่ตัวเองแล้วจะไม่เห็นความสุขในตรงนั้นเห็นได้ชัดจากเจ้าชายศิทธัตถามีความสุขเพียบพร้อมใช่ไหม แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสุขรู้สึกเลยว่าไม่ใช่ความสุขอย่างเงี้ยเมื่อรู้สึกว่ามไม่ใช่ความสุขอะไรคือความสุขจึงออกสแสวงหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์ทุกข์อยู่เขาจะไม่สามารถคิดในเรื่องพวกนี้ได้นั่นคือโทษของความทุกข์อันหนึ่งไหมว่าถูกความทุกข์ครอบงาอยู่ทีนี้เมื่อพระองค์ทรงทราบว่าอย่าว่าแต่คนที่มีความทุกข์เลย ที่ถูกความทุกข์ครอบงำแม้แต่คนที่มีความสุขโดยฐานะที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมก็ถูกความทุกข์ครอบงำเอาครอบงำได้ยังไงครอบงำตรงที่ว่าความสุขที่เกิดจากการเสพนั้นยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหมายถึงว่าเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันก็กลับมาเป็นความทุกข์ได้อีกก็ถูกความทุกข์ครอบงำอกีกอีกนั่นเองเพียงแต่ว่าคนที่มีความสุขเขา เขาไม่ได้คิดที่จะดิ้นรนตัวเองใช่ไหมล่ะในการในความเป็นอยู่แต่คนที่มีความทุกข์เนี่ยจะดิ้นรนตัวเองในความเป็นอยู่เขาจึงมองไม่ออกแต่คนมีความสุขจะไม่ดิดน้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนปุ๊บเขาจะตอมองว่าทางออกแห่งชีวิตคืออะไรจึงออกสแสวงหาได้คนที่ไม่ต้องการความสุขแบบโลกี้ยะแล้วเท่านั้นจึงสแสวงหาทางพ้นทุกข์ได้นี่คือความจริง หากยังมีความต้องการความสุขแบบโลกิยะอยู่แม้บวชเข้ามายังไงก็ตามก็ไม่มีทางหาทางออกให้กับชีวิตได้เพลิดเพลินไงโลกิยะทั้งหมดเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินมันไม่อิ่มไม่เคยหมดไม่ไม่เคยเต็มในจิตใจใช่ไหมไม่เคยให้ความสุขที่แท้จริงสักทีไม่ไม่ให้ถึงไม่ใช่ความสุขแบบถึงที่สุดที่แท้จริงเป็นเพียงแค่ชัวรข่าวเป็นการเพลิดเพลิน ชั่วขณะนี่เพราะฉะนั้นบรรดาลโลกียะทั้งหมดตกอยู่ภายใต้การเสพสุข ก, ก็เสพสุขไปวันวันใช่ไหมล่ะทุกข์ก็เสพทุกข์อมงคลบอกเสพทุกข์ได้ยังไงทุกข์มีไม่ใครต้องการใครจะไปเสพเราเคยเห็นคนเสพทุกข์หมเคยหมเคยเมื่อก่อนย่บ้าเบืยังไง เสพทุกเป็นยังไงมันมันก็ไม่เีความสุขอ๋ออาอย่างนี้ดีกว่าหลานเสียชีวิตไปมีความสุขหรือความทุกข์ทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งคิดถึงเขาใช่ไหมยิ่งคิดถึงเขาก็ยิ่งทุกข์ใช่ไหมแล้วคิดถึงความหลังยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ใช่ไหมก็รู้ว่าเป็นทุกข์ทำไมยังต้องคิด ม, ม, มันไม่รู้ใช่ไหมเลยเสพทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะเสพอยู่ได้เหรอเสพโดทางการคิดไงคิดถึงแต่เรื่องเศร้าโอกคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีคิดถึงแต่เรื่อง ก่ให้เกิดความทุกข์อย่างนั้นไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลยอะไรแบบนเนี่ยมันก็กินเวทนาวันอะนนน่ะกินทั้งวันเลยกินทั้งวันเลยไม่รู้เลยเสกอยู่นั่นแหละก็ทุกข์มันไม่ดีก็ยังเสกแล้วก็ยิ่งเสกใจก็ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจอยู่ภายในรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกในใจเวลาตื่นตอนเช้าก็เวทาน้ำก็มาก่อนแหละแต่ตอนนี้มันต่างกันไม่มีเดือนนันนั่นเห็นไหมต่างกันเลยกับนอนมาฝึกกับการไม่ฝึก คนอกหักทุกไหมไอ้คนอกหักนี่มันสามารถไปฟังเพลงแบบแบบเขาเรียกว่าบันเทิงบันเทิงได้ไหมมันก็จะฟังเพลงแต่ห่วยหัวอยู่นั่นแหละห่วยหัวอยู่นั่นแหละโอ้ยอกนี้เหมือนดังไฟแผดเผาอยู่นั่นแหละสวงเล้ารันอะไรเนี่ยเพลงนั้นน่ะยิ่งฟังก็ยิ่งจมอยู่กับอารมณ์แห่งความอกหักเสพทุกอยู่อย่างนั้นนะก็มันเป็นทุกข์ทำไมยังเสพอยู่นั่นเอาภาษาอย่างโบราณยี่คั่งยัง เห็นไหมคนมันเสพทุกได้ไม e ่ใช mm ่แจะเสพสุขอย่างเดียวเห็ชัดเจนเลยที่ว่าเสพเสพทุกค่ำวันน่ะตื่นมาก็เจอแล้วจะไม่เจอเมื่อามหลับนั่นแหละดีนะยังหลับได้บางคนหลับไม่ได้เลยกูต้องเอาเหล้าเอาเหล้าแก้ก่อนอเงี้ยนันจิตมันก็จะบอกว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนมันก็จะบอกทุกวัน หมายถึงว่าแม้เสพถูกแม้เสพสุขหรือแม้เสพทุกก็คือการเสพที่ติดอยู่ในวงจรของทุกใช่ไหมยังไม่หนีออกจากทุกคือถูกทุกครอบงําอยู่นั่นเองนี่แหละคือโทษของความทุกแต่ทุกก็มีประโยชน์ในด้านที่เราจะเอามาฝึกฝนจิตใจมองเห็นทุกเป็นทุกก็มันเป็นทุกแล้วจะไปทุกกับมันทำไมอีกตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้ก็มันเป็นทุกอยู่แล้วถ้าเราไปทุกกับมันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มทุกจากทุกที่มันเกิดอยู่แล้ว เราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเพิ่มทํายังไงก็รู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์แค่นั้นแหละเมื่อรู้ทุกข์โดยความเป็นทุกข์แล้วอย่าสร้างเหตุเพิ่มอย่าใช้ตัณหาอย่าใช้ความอยากยังไงมันก็ดับมันก็เป็นนิโรธเมื่อทําอย่างนี้บ่อยๆกับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามากระทบมันก็คือมรรคทาอย่างเนี้ยเบียดล่อเรียกว่าปริวัติปริวัติด า, ดาวดาสซากา ร, รังยาาภูตังยานเะดัชสนังณญานัทธสนังสุวิสุธังอะโมสี เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้โดยการทําอย่างนี้บางคนพระอาจารย์พูดภาษาบาลีไม่เข้าใจก็หมายถึงว่าให้เกิดการเวียนรอบโดยอาการ12อย่างนี้เข้าใจไหมเวียนรอบโดยอาการ12ติติปริวัตังติปริวัตังหรือเตปริวัตังนะจําบาลีไม่ค่อยได้ติปริวัตังด า, ดาวดัสสะกาลังยะธ า, าผูตังลุยเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้งาณเนดดศดัสสานัง อาอาท่าภูตังอยาท่าภูตังเห็นเห็นตามความเป็นจริงอย่านักศาังรู้เห็นในสิ่งที่เป็นจริงณสุวิสุทธังอโหสิก็จะทําให้เป็นความบริสุทธิ์ได้สุวิสุทธังเป็นความบริสุทธิ์ได้จากการรู้เห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกเห็นความดับไปของทุกทําให้เกิดความบริสุทธิ์ ถามว่าห้ามคนทําบุญทําความดีได้รับกรรมอย่างไรมีประวัติในพุทธการไหมการห้ามทาบุญทาความดีพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการขุดตน้นออกจากความดีทั้งปวงขุดต้นเป็นยังไงเหมือนกับเรากำลังปลูกต้นไม้อยู่การปลูกต้นไม้อยู่เพื่อให้ต้นไม้จเจริญเติบโตแล้วไปขุดมันออกมาเนี่ยขุดต้นไม้ที่ปลูกให้มันจเจริญเติบโตนี่ขุดออกเนี่ยมันจะโตได้ไหม ไม่ได้บุคคลผู้ห้ามการทำความดีห้ามทำการทําบุญห้ามการทําความดีของบุคคลผู้อื่นได้ชื่อว่าเป็นผู้ขุดตนออกจากความดีทั้งปวงไม่จเจริญงอกงามในาศาสนาไม่จเจริญงอกงามในคุณงามความดีไม่จเจริญงอกงามในบุญกุศลจะถูกปิดถูกกั้นถูกการการให้ผลของกรรมดีทั้งหมดจะถูกห้ามห้ามให้คือผลกรรมดีที่ทำมาแต่ปางไห น, นกก็ตามจะถูกห้ามไว้อย่าให้ผลในชาตินี้กับคนผู้นี้ ต่อเมื่อกรรมที่เกิดจากการห้ามของคนอื่นจะหมดไปถึงจะผลผลผ ล, ผลบุญที่จะมีรอยอยู่ถึงจะให้ผลได้ในพุทธการมีไหมอย่างไรพุทธประวัติในพุทธการมีเปรตตนหนึ่งอดีตชาติเคยห้ามชาวบ้านไม่ให้ไปใส่บาตรพระ บอกว่าจะเอาอาหารไปให้สมณะล้นพวกนี้ทำไมพระสมณาร้ น, นพวกนี้ขี้เกียจกินข้าวแล้วก็ น, นอนไม่เห็นทำอะไรเลยเห็นแต่นั่งแต่ยืนแต่เดินแต่นอนอยู่นั่นแหละอยู่ในอาวาดเอาข้าวไปให้มันกินเอาขครีย้มันกินดีกว่าว่าอย่างนี้บอกชาวบ้านห้ามการให้ทานของชาวบ้านไอ้คนที่ห้ามนั้นตายแล้วเป็นเปรตพอตายแล้วเป็นเปรตไปเกิดเป็นเปรตที่กินขี้กินน้าลายกิน อุจจาระปัสสาวะของคนอื่นเวลามีคนถ่ายออกก็ไปรอกินมีคนปัสสาวะออกก็ไปรอกินรอกินปัสสาวะอย่างนั้นนั่นคือผลกรรมขุดตนเองออกจากความดีทั้งปวงเลยตัวเองไม่ให้ทานแล้วก็จะเป็นห้ามการให้ทานคนอื่นคนที่เป็นหนี้นี่คือคําถามต่อมาคนที่เป็นหนี้ไม่ใช้คืนได้รับผลกรรมอย่างไรคนที่ยืมเงินทําบุญได้บุญไหมครับ ยืมเงินยืมยืมเงินทำบุญได้บุญไหมฮะถ้าใช้คือก็ได้บุญตอนทำาได้แต่ยังเป็นหนี้อยู่ก็ต้องไปใช้หนี้ส่วนทำบุญด้วยความเดือดร้อนน้อนใจได้บุญไหมเดือดร้อนไงจึงไปยืมท่านเดือดร้อนไหมถ้าเดือดร้อนก็ไม่ไม่ได้บุญไม่เขาถามว่าได้บุญไหมไม่เขาบอกควรหรือไม่ควร ส่วนนี้ทำได้ไ ด, ได้แต่มันได้น้อ ย, ไ ด, อยได้น้อยจำไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้นั่นคือการทำบุญนะแ ต, ต่ต้องทำบุญที่ถูกบุญนะได้แน่นอนแต่ได้น้อยไม่มีผลมากไปกับเพื่อนเอาเอาเงินไปไม่พอใจอยากจะทำบุญในจำนวนเท่านี้กูขอยืมหน่อยกลับไปบ้านจะเอาให้ก็อันนี้เดือดร้อนอยู่ใช่ไหม เดือดร้อนใช่ไหมว่าเงินไม่พอใช่ไหมเลยยืมพอยืมปุ๊บไปทําบุญได้บุญเต็มที่ไหมคือถ้าสมมติว่าไม่ได้บุญเต็มที่ใช่ไหมก็ได้ได้ก็หนอยใครเคยมีพฤติกรรมอย่างนี้บ้างขอยืมเงินหน่อยทําบุญจะทําบุญนี้ไม่เต็มครับไม่เต็มแต่ถ้าตัวเองมีอยู่สิบบาทอยากจะทําบุญห้าสิบบาทมีอยู่สิบาทไม่พอขอยืมเพิ่มอีกสี่สิบ <mister tumors> ได้บุญไม่เต็มแต่ถ้ามี10บาททำสิบบาทด้วยใจที่เต็มเปี่ยมได้เต็มมากกว่าขอยืมเพื่อน 50- าสบอีกสีบาทนั้นเข้าใจเออพราถึงแม้เราก็ใช okay. ้คืนตอนหลังไม่ตอนตอนให้เดือดร้อนใจมันร้อยตอนให้ใช่ไหมแต่ห้าสิบาทเนี่ยให้มันมันไม่เดือร้อนเพราะเป็นของตัวเองแต่ใจอยากจะทำบุญเยอะกว่าคือก็ตามบุญเหตุมันมาไม่ไม่ดีมาด้วยความร้อนใจเดือดร้อนใจ ก็มนก็มีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นสิใช่ไหมล่ะจะไม่ต้องเดือดร้อนไม่หมือนันไม่ถาวรมันจบโยมโยมญาติทาเราคนหนึ่งอ่ะถ้าท่านรวยกันจะทำนะโยมก็บอกไม่ต้องรอรวยหรอกมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นน่ะมันก็สะสมไปใช่ถ้ารอรวยเกิเราตายก่อนไม่ได้ทำเออไม่ได้รวยเลยใช่ไหมชาตินี้ไม่ได้ทำบุญเลยเขาก็เชื่อนะเาก็กินก็ไม่มีอย่าไปทบุญเลยแม่นี่แหละ เงินจะกินก็ไม่มีแล้วจะไปทำบุญยังไงคนคิดอย่างนี้พุทธเจ้าจึงบอกว่าคนพานมักจะคิดว่าเราจนเราไม่ต้องทำบุญหรอกเพราะเราจนแต่คนมีปัญญามักจะคิดว่าเพราะเราจนนี้เองเราจะต้องทำบุญเห็นไหมความแตกต่างกันถามว่ า, าเงินจะกินก็ไม่มีแล้วไปทาบุญ นะเงินจะกินแล้วมีมีเราไปทําบุญแล้วถ้าไม่มีกินในวันนั้นเอาเงินไปทําบุญหมดไม่มีกินในวันนั้นแล้วตายลงทําไงดีไหมไปสวรรค์ดีีสิไปสวรรค์นนะ <c oughs> เทวรานะเป็นเทวดาเลยนะจ่าตูมเลยนะเบื้องต้นเลยนะพราะมันนั้นคือการตัดสินใจด้วยการละความตนีพะยะยังละความตนีออกจากกิจไม่ห่วงไม่กระทั่งทรัพย์ที่นิดหน่อยของตัวเองที่มีอย่างเงี้ยสูงมาก มีเงินอยู่ยี่สิบาทข้าวแกงจานละยี่สบาทเนี่ยที่เราจะต้องซื้อนี่นะแล้วก็มีอยู่แค่เนี้ยทั้งวันพอดีว่าอยากจะทำบุญด้วยกับต้องสละข้าวแกงมื้อนั้นหากไม่กินก็คือตายในวันนั้นจะทำไงยอมตายยอมตายใช่ไหมบางคนคนที่มีจิตใจเสร็จแล้วกาจัดความตันดีในจิตตัวเองได้แล้วเนี่ยจะยอมตายอยากตายก็ตายชีวิตมันมีความทุกข์มันก็ต้องตายอยู่แล้ว เรื่องปกติความตายไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่การได้ทําบุญแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคนที่จะคิดทําบุญได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็ให้บุญทําบุญไป20บาทตายขณะนั้นไปจุติสนธิในเทวโลกอย่างต่ําชั้นจาตุมมหาราชิกาด้วยอํานาจของการกําจัดความตณีทีนี้คนมีทรัพย์สมบัติร้อยล้านพันล้าน ทำมูลแต่ละครั้งเป็นแสนสองแสนหรือเป็นล้านครั้งละล้านอย่างเงี้ยทําไปด้วยทรัพย์ที่ตัวเองมีได้บุญเท่าไอ้ยี่สิบาทได้ไหมไม่เท่าเพราะอะไรเพราะเขาให้ทรัพย์ในสิ่งที่เขามีก็บ เ, บเขามีอบบ่ะยังไม่หล่ะเขาเขามีเขาไม่ได้กําจัดความตันหนีในใจตัวเองพอกเอาอย่างนี้มันก็เสียเปรียบกันดิฮะ นี่ก็เสียเปียบไอ้คนให้ร้านนึงก็เสียเปียบพี่ไม่ได้เสียเปียบนะไอ้คนให้ร้านน่ะตายไหมไม่ตายใช่ไหมแต่ไอ้นี่ตายใช่ไหมเขาเขาไม่ใช่เสียสละแค่ทรัพย์นะสลัดทั้งชีวิตเลยนะไม่ได้เสียเปียบไอ้ไอ้ไอ้นี่เสียเปรียบกว่ามันต้องเสียสละดทั้งชีวิตมันอ่ะใช่ไหมล่ะแต่เป็นมีชีวิตที่ดีกว่าอยู่บนสวรรค์นะ เป็นอย่างนั้นเอาหมดนี่หมดแล้วนะเป็นหนี้ไม่ใช้พื้นได้รับผลกําอย่างไรคนที่เป็นหนี้จะไว้เลยนะใครเป็นหนี้แล้วไม่ใช้พื้นจะต้องเกิดเป็นสัตว์กระชนในบ้านหลังที่เป็นหนี้อาจจะเป็นวัวเป็นควายหรือเป็นอะไรก็ตามสัตว์ที่ทำให้คนในบ้านใช้แรงงาน หรือจะเกิดเป็นคนใช้ในบ้านหลังนั้นที่จะต้องถูกใช้แล้วก็อยู่ในภาวะจำยอนที่ต้องถูกใช้จะทุกข์ทรมารแค่ไหนก็ตามก็ต้องยอมถูกใช้อย่างเงี้ยหากยังมีบุญพอเป็นคนนะก็จะเกิดเป็นขี้ฆ่าเขาได้ยังไหมเกิดเป็นท่าเกิดเป็นบริวารเกิดเป็นคนชั้นต่ำที่จะต้องถูกใช้แล้วจะต้องจํานนต่อการยอมใช้อย่างนั้นเพราะการรมบังคับนี่คือเป็นหนี้แล้วยอมคืนและเกิดเป็นสัตว์ก็จะต้องเป็นสัตว์ที่ใช้แรงงาน ให้คนได้ใช้คนคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยคือยังไงก็ต้องไปไปตกเป็นเป็นสมบัติของเขาไม่ว่าจะไปเกิดในที่ไหนก็ตามก็ต้องไปไปชดใช้กรรมอย่างนั้นเป็นหนี้แล้วไม่ใช้คืนหาพอใจที่จะไปชดใช้อย่างนั้นก็ไม่ต้องไปใช้หนี้ก็ได้ไปเป็นขี้ข่าเขาแล้วเป็นขี้านี้ไม่ใช่แค่ชาติเดียวยางตาม0้าร้อยชาติ ยังต่มนะยังมากห้าพันชาตินะยังมาก <laughs> เกิดกี่ชาติกี่ชาติก็เป็นขี้ค่าอยู่นั่นนะเกิดกี่ชาติไม่ได้ดีอะไรเท่าไรหรอกที่ไม่ยอมใช้นี่ไปีพันยอมใช้นี่หมด ขอความากกลับมาที่ประเด็นการใส่บาตรนะการใส่บาตรที่ว่าโยมไม่ไม่ควรนั่งใ น, นใส่บาตใช่ควรจะยืนจากประสบการจากประสบการณ์ที่แตามาปิพิบัตโยมควรจะยืนดีกว่าโดยเฉพาะหน้าฝนอย่างเงี้ยไม่ควรจะนั่งกับพื้นเปียกชื้นแฉะถ้าเป็นหน้าปกติหน้าอรอา้อนก็ควรจะยืนมากกว่า ไม่ให้ความเคารพนั่นคือความคิดของเราแค่ความคิดของเราเราก็ต้องเขา้าใจพระคือคือคนธรรมดา ข, นะข้างพุทธการเขามีการปฏิสันานกันแบบธรรมเนียมว่าหากพุทธเจ้ยายืนคนคนผู้นั้นก็ต้องยืน ในการพูดคุยกันหากพระเจ้านั่งคนคนนั้นก็ต้องนั่งในคานการพูดคุยกันหากพระยืนโยมก็ควรจะยืนใส่บาทพระนั่งวินาบาทได้ไหมได้ตอนคือเดินไม่ได้แล้วนั่งรถเข็นอะไรไปวินาบาทแล้วก็นั่งอันนั้นนะ่ะไปยืนก็ไม่สมควรแต่พระเดินวินาบาทได้อยู่โยมก็ควรยืนใส่บาท ไม่ได้เป็นความผิดแต่ประการใดไม่ได mm ้เ hmm. สียความเคารพแต่ประการใดเราคอาใจว่าต้องนั่งถึงจะเคารพก็คือความคิดของเรานะสัทางที่ดีแล้วยืนนั่นแหละดีที่สุดกายท่าศีแม่ตั้งชื่อถามมาว่าอารมณ์โทสะเกิดขึ้นแต่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆเหมือนห้องโล่งๆที่มีไฟลุก มันไม่มีการปรุงแตง่งแต่มีเพียงโทสะที่เกิดพร่งอยู่เพราะไม่เกิดการเพ่งดูใช่หรือไม่เจ้าคะอารมณ์โทสะเกิดไม่มีการปรุงแต่งใดๆเหมือนห้องโลง่โลงๆที่มีไฟลุกมันจะเป็นไฟลุกได้ยังไงมันจะเป็นไฟลุกได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นการเปรียบเทียบเอาเอง อาจะเป็นการเปรียบเทียบเอาเองว่าเหมือนห้องร้องแล้วมีไฟลุกหากจะเปรียบเทียบควรจะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเราอยู่ในห้องโร้องๆแล้วมีลมร้อนผ่านเข้ามาอย่างเงี้ยลมร้อนหรืออะไรร้อนๆผ่านเข้ามาอันอันไฟลุกนั้นคือเรียกว่าเผาไหม้แล้วมันเผาไหม้คือมันเป็นโทสะแบบรุนแรงแล้วอันนั้นนะเผาไหม้ น่าจะเป็นการแสดงความรู้สึกในสิ่งที่เราผัสสะจิตเรามันจะแสดงอาการต่อสิ่งที่มาผัสสะนั้นเป็นตามธรรมชาติของสิ่งนั้นโทสะจะแสดงออกมาตามอารมณ์แห่งปฏิฆะมันก็ต้องแสดงไม่แสดงไม่ได้อาการที่มันแสดงนั้นหมายถึงว่ามันแสดงขึ้นมาเพื่อให้เรารับรู้ในสิ่งที่เราผัสสะด้วยว่าสิ่งที่เราผัสสะนั้นคืออารมณ์ประเภทไหนแค่นั้นเองคือหน้าที่ของมัน พอมแสดงตัวของมันจบมันก็ดับแต่คนทั่วไปเมื่อภาสะกับอารมณ์อันเป็นปฏิฆะที่ขัดแย้งไม่พอใจแล้วมันแสดงอาการขึ้นมาคนน่ะไม่ได้เข้าไปเห็นว่านี้คืออารมณ์ที่เกิดจากสิ่งที่เราภาสสะแล้วเราจะต้องรู้การเกิดขึ้นของอารมณ์รู้การตั้งอยู่ของอารมณ์แล้วก็ ร, รู้การดับไปของอารมณ์ แต่อันนี้เห็นบอกว่ามันเข้ามาแล้วไม่มีการปรุงแต่มันเป็นเป็นอารมณ์ร้อนที่เกิดเป็นประกายไฟขึ้นเี่ยอันนี้ถือว่าปรุงแล้วนะปรุงด้วยความไม่รู้ใช่มันมันเกิดเป็นพงเป็นไฟประกายไฟขึ้นเป็นการจุดจุดความเป็นเพลิงขึ้นมาแล้วเพลิงแห่งโทสะขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นการปรุงด้วยความไม่รู้อันนี้ปรุงด้วยวิชา อปุงด้วยความบรรู้มีอยู่เลยมีที่ปุงด้วยเจตนาอย่างหนึ่งปุงด้วยอัจเจตนาคือไม่มีเจตนาปุงอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าปุงโดยอัตโนมัติอันปุงอันปุงด้วยเจตนาเราจะรู้ตัวว่าเราปุงแต่อันที่ปุงด้วยไม่เจตนาเราจะไม่รู้ตัวว่าเราปุงมันเป็นการปุงด้วยอํานาจของอวิชาเนี่ยเห็นไหมมันซับซ้อนเลยแต่ซับซ้อนอย่างนี้ก็ตามมันไม่หนีจากวิถีแห่งปัญญาของคนที่เข้าไปรู้ได้การกําหนดรู้เนี่ยจะทําให้เข้าใจอ๋อบางทีก็ปรุงเองอย่างเงี้ย เราไม่ปรุงต่อมันก็ปรุงเพราะมันเองเหมือนกับเราเห็นหัวหอมใช่ไหมหัวหอมมันถูกถอนออกมาจากพื้นดินแล้วรากมันก็ออกจากจากพื้นดินแล้วตัดยอดมันแล้วเหลือแต่หัวเอามาวางไว้เฉยเฉยมันยังอกอีกได้ใช่ไหมเอาทําไมมันงอกได้นะใช่มันมีเชื้ออยู่ใช่ไหมแต่ไม่ได้งอกเพื่อเจริญเติบโตใช่ไหมเพราะรากมันไม่ได้อย่างลงสู่พื้นใช่ไหมมันงอก ขึ้นมาตามตามกำลังของมันที่ยังมีอยู่แต่สุดท้ายมันก็ต้องเหี่ยวลงไม่ใช่งอกเพื่องอกงามอันนี้ก็เหมือนกันการปรุงแต่งของอวิชามันก็ปรุงแต่งตามภาวะที่มันมีอวิชาอยู่นะแต่ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยกาเจริญงอกงามหรือกลายเป็นความฝังแน่นเป็นเป็นอาสวะหมักดองในใจเราเพราะเรารู้อยู่เพราะเราไม่ปรุงคือไม่ไดเอาลงดินนะ มันก็ปรุงมาตามภาวะของมันใช่ไหมสุดท้ายมันก็จะสลายตัวของมันเองดับเองตามธรรมดาไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแค่รู้และเข้าใจอาการแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ดับของมันเท่านั้นแต่ทีนี้เราบางคนไม่เข้าใจนะนะปฏิบัติไม่เข้าใจความโกรธเกิดขึ้นเหมือนกับว่าไม่พอใจว่าต้นหอมมันงอกขึ้นมาได้ยังไงนะเอากบลูกออกมาจะกพื้นแล้วมันงอกมาได้ยังไงไม่พอใจก็เข้าไปทุบทําลายต้นต้นหอมี้ประมาณนั้นนะอันนั้นน่ะ ปุงต่อสร้างต่อเ น, นี้ยึดเขาไปยึดมันเขาไปยึดปุ๊บ ก, ก็เป็นอารมณ์ที่มดีภายในใจตัวเองก็กลายเป็นการปลูกปลูกอารมณ์ใหม่ขึ้นมาภายในจิตในใจนะอันนั้น่ะยิ่งจเจริญ ง, งอกงามเลยนะน่ะเข้าไปยุ่งอันนี้ก็ยุ่งแต่ยุ่งโดยการรู้เห็นนะรู้เห็นแม้แต่แม้แต่เข้าใจว่าเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพราะเกิดการไม่เกิดการเพ่งดูใช่ไหมไม่ใช่ มันแค่เราไม่รู้ว่ามันคือการปรุงโดยธรรมชาติพองอวิชาคือเรียกว่าปรุงสิ่งที่อยู่เนื้อเจตนาถามว่าไอ้สิ่งที่อยู่เนื้อเจตนาเนี่ยเราจะแก้ไขมันยังไงมรักเต็มบริบูรณ์เมื่อไหร่มันจะแก้ไขของมันเองไม่ต้องไปแก้มันแค่เห็นสภาพการเกิดขึ้นของมันว่ามันปรุงด้วยตัวของมันเองอะไรก็ตามที่ปรุงด้วยตัวของมันเองมันก็ต้องดับด้วยตัวของมันเองเราไม่ต้องไปยุ่งเพราะมันเกิดมาจากเหตุของมันแต่อะไรก็ตามที่เกิดมาจากเจตนาที่เราปรุงอันนี้เราทําได้ คือหยุดเจตนาของเราได้คือไม่ปรุงแต่งต่อแต่เมื่อเราหยุดการปรุงแต่งต่อของเราได้แล้วมันเหลือการปรุงของมันนะอันนั้นให้เห็นแค่เป็นภาวะของมันว่าอะไรก็ตามที่ปรุงขึ้นมาด้วยตัวของมันด้วยอำนาจของวิชาของมันเองมันก็ต้องดับไปด้วยตัวของมันเองไม่เกี่ยวกับเราแล้วอันนั้นมันอยู่เนือการควบคุมแล้เพราะอยู่เนือเจตนารอให้อริยมรรคเต็มบริบูรณ์เมื่อไหร่มันก็จะทําลายตัวเหนือเจตนาเมื่อนั้นด้วยตัวของมรรคเอง เราไม่มีหน้าที่หน้าที่ของเราแค่จเจริญมากจเจริญมากทํายังไงก็รู้มันเนี้ยรู้การเกิดขึ้นของมันว่ามันเป็นธรรมดาของมันยงตั้งอยู่ดับไปถ้าไม่ถามมาก็จะไม่เลยที่บายอย่างนี้คนยุคนี้นี่ทำไมต้องให้อธิบายละเอียดขนาดนี้ไม่รู้เนาะเอ๊่น่าจะฝึกไปฝึกไปดูไปดูไปจนเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาเลยอย่าเงี้ยแล้วมาพูดให้ สาภาพที่รู้แจ้งให้ตามาฟังน่ยจะดีใจมากกว่านะมาถามแต่ยอย่างเนี้ยยังไม่ทันอะไรเลยจะได้เห็นไงว่ามีสติปัญญามากแค่ไหนใช่ไหมอุ้มอิ่มจเจริญพรโยมอุ้มอิ่มเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันเลยถามถามถามเข้ามาว่าต้องทํายังไงถึงจะเข้าใจในบทสวดมนต์ที่ไม่ใช่แค่การสวดแปลไม่มีทางเข้าใจ ไม่มีทางเข้าใจได้ในคนทู้ทั่วไปนะไม่มีทางเข้าใจบทสวดมนต์ได้เลยเอาทาไมท่านถึงพูดอย่างนั้นประสบการณ์ของอตตาไมาเองซึ่งแม้จะรู้บาลีแม้จะรู้การแปลแต่ก็ไม่เคยเข้าใจในบทสวดมนต์นั้นจนต่อเมื่อได้ทำลายอาสวะออกจากจิตแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นแหละมันเข้าใจของมันอัตโนมัติเองแม้ไม่แปลมันก็เข้าใจเอง มันมีความเข้าใจอยู่ภายในลึกๆไม่จำเป็นต้องไปแปลเลยทีนี้ไม่สนหรอกไปปรงไปแปลไม่ไม่สนน่ะสวตรขึ้นไปเลยอีตีปิโสพระคำมันมันรู้อยู่ภายในของมันเองเองัตโนมั ต, มติเพราะธรรมชาติของภาษากับธรรมชาติของสภาวะมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเป็นธรรมชาติที่สื่อถึงกันคําว่าพุทธะเป็นอัคละธาตุอัคละภาษ า, า, ก า, ภ า, าก็จริงเป็นตัวหนังสือก็จริงเป็นภาษาก็จริง แมันสื่อถึงพุทธะธในฐานธรรมชาติซึ่งในพุทธะธรรมชาติมันมีตัวพุทธะจริงๆเข้าใจไหมตัวพุทธะธในฐานธรรมชาติมันมีจริงๆหากใครเข้าถึงปุ๊บจะรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่สัมผัสธธแบบพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมเป็นสาบกพุทธะแต่ตื่นรู้เหมือนกันแสดงว่าธาตุนี่เป็นสาธา ร, รณาธาตุธาตุที่เข้าถึงได้อัขระภาษาหรือธาตุแห่งตัวหนังสือภาษาที่สื่อสารถึง ธรรมชาติของภาพภาวะแห่งความรู้ตื่นเบิกบานนั้นอะ่ะมันสื่อถึงธรรมชาติที่มีอยู่จริงธรรมะคําว่าธรรมะมาจากคําว่าทระธาตุธาตุแห่งการทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงเรียกว่าทรงแห่งความเป็นสัจจ์หากใครปฏิบัติเข้าถึงธรรมจะสามารถเข้าถึงสัจจ์นั้นได้เข้าถึงได้สังฆ ค, คือธาตุแห่งความดีมาจากคำวา่าสุธาตุธาตุแห่งความดีธาตุแห่งการปฏิบัติดีหากใครปฏิบัติเข้าถึง ความดีเส้นทางแห่งความดีหรือพลังแห่งความดีทั้งปวงเนี่ยมันจะสัมผัสและเชื่อมโยงกันมันเป็นธาตุที่มีอยู่แล้วทางธรรมชาติธาตุความดีก็มีธาตุแห่งความเร็วก็มีพุทธเจ้าว่างอย่างนี้นะธาตุแห่งความเป็นกลางๆ ก, ก็มีภาษาที่ถูกบัญญัติมาใช้เพื่อสื่อให้เข้าไปถึงธรรมชาตินั้นเมื่อเราปฏิบัติจิตทำลายอสวกิเลสจนเข้าถึงธาตุแห่งธรรมชาตินั้นได้ภาษาทั้งปวงที่เป็นภาษาบาลีนั่นน่ะ มันจะทำให้เราเกิดความเข้าใจเองอัตโนมัติอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติอยู่ภายในแล้วก็ชัดเจนอยู่ภายในจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาในขณะที่สวดเข้าใจบททุ ก, บ, ททกบาทุทกตอนทุกคาแต่ถ้าเป็นบุรุษชนสวดไปเถอะจนถึงวันตายไมย่ไม่ทำลายสวัสกิเลสภายในใ จ, ใ จ, ใ, จใจตัวเองเนี่ยสวดไปเถอะไม่มีทางเข้าใจได้ไม่มีทางเข้าถึงได้บทสวดบนก็สวดได้แค่สวด สวดไปตามลมปากของตัวเองที่อยากจะสวดเท่านั้นเองไม่ได้มีความหมายอะไรมากแปลยังไงก็แปลไปเถอะไม่มีทางลึกซึ้ง ม, มีทางเข้าใจเอามาพิจารณาใช่ต้องเอามาพิจรารณานั้นได้การพิจารณาคือการทําความเข้าใจเพื่อครอบไปถึงธาตุตามธรรมชาติที่เป็นจริงก็เชิดเดีวสิอิติปิโสภักดีวาอาลาหังสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสนี่มันมันเป็นธาตุธาตุที่สื่อให้เห็น การเรื่องลือไปสิ่งที่เรื่องลือไปกิตติศัพท์อันงามที่ฟุ้งไปกินกินของดอกไม้ฟุ้งไปยังกินหอมให้ถึงแก่มวลมนุษย์หมู่มแมลงพึ่งใช่ไหมแต่กินแห่งดอกไม้นี้กินหอมของดอกไม้นี้ฟุ้งไปตามลมฟุ้งทวนลมได้ไหม เนี่ยมีอยู่คนเดียวฟุ้งทวนลมได้กินท้องด อ, อกไม้ก <c oughs> ินแห่งธรรมไม่ใช่หรว่ากินดอกไม้พูดถึงกินด อ, อกไม้แต่กินแห่งธรรมกิตติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้ากินของพระพุทธเจ้าฟุงฟ้งไปทวนลมฟุ้งไปแม้แต่ทั้งเทวโลกภมโลกมนุษยโลกเปตตโลกอสุรกายโลกฟุ้งไปทวนลมเน่ยนะไปได้ทุกที่ทุกทางไม่เกี่ยวกับลมอันนี้ก็คือธาตุอันหนึ่งนี้เนี่ยธาตุแห่งการฟุ้ง ฟุ้งไปทั่วลมเนี่ยเป็นธาตมันมีธรรมชาติทั้งมันอยู่อิติปิโสเนี่ยเขาบอกอิติปิโสนี่แม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้คือเหตุอะไรเห็นไหมเนี่ยคือกิติศัพท์อัน ง, งามที่ฟุ้งไปเพราะเหตุเนี่ยเหตุแห่งการฟุ้งไปในกิติศัพท์อัน ง, งามที่ว่าพระเจ้าเป็นสมมาสมพุทธะเป็นพระอรหรันต์ไกลาจากกิเลสเป็นครูครู้สอนของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้มีวิชาและเจรณะมันเป็นเป็นทา่าตามธรรมชาติที่ที่มีอยู่แล้วพุทธเจ้ามาบัญญัติเพื่อสื่อให้เห็นภาษานี่ยภาษาทางทางคำพูดเนี่ยแต่ทีนี้คนติดอยู่ในรูปแบบของภาษาไม่เข้าไปไม่ถึงทา่าติดอยู่เลยบทสวดหมายถึงว่าจริงๆ คำที่เขาพูดว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสมาเป็นคำพูดของคนมคตคือคนอินเดียมคตเป็นสิ่งที่เขาพูดกันว่าอิติปิโสภะคะวาเออได้ยินมาว่านะพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระองค์เป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์เป็นผู้มีวิชาในเจริญนาเป็นผู้ฝึกบุรุษผู้สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วคือเขาคุยกันอย่างเงี้ยคือเป็นภาษามคตที่เขาคุยกันแต่เราไปติดที่ภาษามคตเอามาใช้สวด ไม่ใช่ภาษาที่เป็นการคุยกันไม่ใช่ภาษาที่พูดพูดให้กันฟังจริงๆอิติปิโสพระว่าเป็นภาษาที่พูดให้กันฟังว่าได้ยินมาว่าคือกิตติศัพท์อันงามของพระเจ้าฝุ่งไปอย่างนี้ว่าคือคุยให้กันฟังอย่างนี้เหมือนกับเราไปได้ยินมาว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่มี ป, ปฏิภทาอย่างนี้มาคุยให้กันฟังไม่ใช่เอามาสวดเขยยังทีงนี้คนมาติดสวดเนี่ย อิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมบุตรโธวิชาเจรณาสัพโนอยู่อย่างเงี้ยแหละสวาข้าตัวภควตาธรรมโวอยู่อย่างเงี้ยสุปฏิปโนอยู่นั่นแหละเขาพูดกันเฉยเฉยอินเดียนะเขาเขาพูดภาษามคตน่ะอิติปิโสภควานี่ภาษามคตนะเข้าใจไหมเป็นภาษาที่เขาคุยกันธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะแต่เรามายึดเป็นบทขังบทศักดิ์สิทธิ์บทสวดบทบูชาสักการะอะไรก็ไม่รู้เขาพวกเรานะนี่คือความงมงายอย่างหนึ่ง งมงายามากๆด้วยไม่ใช่งมงายธรรมดางมงายงมงายแบบง ม, งมงงงเงี้ย น, นี่แะแต่พูดอย่างนี้ก็กระ เ, เทือนเข้าอีกอนะพูดอะไรไปก็กระเทือนเข้าไปกันไปทุกเรื่องพระอินเดีย <id ia> สวดการสวดของพระอินเดี <id ia> ย <ath> <id ia> ในครั้งพุทธกาลไม่มีไม่มีมม <ath> <id ia> ใช่ นัก็มีมาจากการบวชทางไฟศีลังกาบ้างทางไฟลาะที่เบตบ้างทางไฟไทยเราบ้างก็มีบวชบวชใหม่ในภายหลังทั้งนั้นแต่บวชดั้งเดิมไม่มีแล้วดั้งเดิมแต่พุทธการไม่มีแล้วแล้วก็มีการสวดยุคหลังก็น่าจะมี ยุคหลังนี้นะไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีแต่ยุคหลังกดน่าจะมีมันเป็นขานย ง, งนะไม่ได้ถือว่าเป็นบทเป็ดเปนแค่การเรื่องลือหรือบทคําพูดเป็นแค่บทสนทนาการธรรมดาพูดคุยกันเรื่องปกติเพราะเขาพูดภาษาอินเดียอยู่นะบาลีทั้งหมดภาษาอินเดียนะที่เราคุยสวยดกันทุกวันเนี้ยยทาวาลีวาหากุลาปริปุเรก็อินเดียหมายถึงว่าเขาสอนกันด้วย พระเจ้าเป็นคนอินเดียสอนภาษาอินเดียนั่นคือคนอินเดียรู้เรื่องเข้าใจไงแต่พวกเราเอาภาษาอินเดียมาสอนคนไทยเนี่ยไปไปทำบุญก็ยะถ า, าวาริวาฮาปุรามาสอนคนไทยนะคนไทยรู้เรื่องภาษาอินเดียไหมละ่ะแต่เราก็ยะถ า, ากันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันมันเป็นคําสอนที่สอนให้รู้ว่าห่วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมบุตสาคอนให้เต็มเปี่ยมได้ฉั้นใด ท่านที่ท่านอุทิศย่อมสำเร็ดแก่พุทธิเล่าลงนี้ไปแล้วฉะนั้นคือพูดกันให้กันรู้เรื่องแค่นี้เองมันไม่ใช่เรามายะทาทุกวันทุกวันสวดจะท้ากันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรมันเหมือนกับว่าอะไรมันรู้เรื่องกันหรือเปล่าคนคนพุทลอยมันคือมันรู้เรื่องอะไรกันไหมอย่างเงี้ยเป็นภาษาพูดภาษาสวดก็มีเป็นภาษาพระเวทแต่ภาษาสวดเขาจะไม่ใช่มาคด ภาษาพระเวทนะนะก็ใช้ภาษาสันสกฤตพฤษทิวยาภูสนัมราชาีสันสกฤตเป็นบทสวดอันนี้ก็จำมานิดนิดหน่อยหพอมาพูดให้ฟัง่า้เป็นคำสโลกที่เคยท่องจำสามัยบวชเป็นเนนีนิดหน่อยเียนมามันเป็นภาษาพระเวท เป็นภาษาบทสวดแล้วก็สวดกันไปแต่ภาษามคตที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ภาษาสวดภาษามคตเป็นภาษาที่พูดคุยกันแม้แต่คําว่าเอวเมสุตังเอกังสมายาภะกังสมายังภะวะบาลานสียังวบียรติอิสีปตเนมิกะไดเอันนี้ก็เป็นการบทที่พระอนุนเป็นผู้พูดกับพระมหาสัปปะว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่บาลานสี าอิสิตีอิสิปฒนามลึกทายวันกายายันมัใหญ่ก็เป็นการพูดธรรมารานี่นะคือพระมหากรภสปาถามว่าผู้เจ้าแสดงประทมเทศนาที่ไหนพระอานุนก็บอกว่าได้ ด, ดับได้ยินมาว่าพระองค์เนี่ยตรงนั้นตรงนี้ก็พูดอะไอย่างเงี้ยแต่บ้านเราเอามาสวดกันอยู่นั่นแหละสวดสวดสวดสวมันคืออะไรไม่รู้ความหมายของการสวดก็สวดกันอยู่นะัน นี่แก้ไม่ออกเลยนะแกะคนออกจากการสวดไม่ออกเลยนะนี่คนที่ถามมานี่เหมือนกับว่าเหมือนยังอยากจะสวดอยู่นะเอาแล้วทำไมทาไมถ้าอาจารย์ยังมีบทสวดพระปรลิตอันอาตา ม, มาบประกาศพระปริตนะนะั้นอ่ะเป็นการประกาศเป็นการประกาศด้วยภาษาของเราใช่ไหมไม่ใช่สวดแบบอ่าสวดเพื่อการยึดถืออย่างนั้นใช่ไหมล่ะไม่ได้ยึดถือการสวดแบบแบบสวดเป็นเป็นการไล่มนตการแบบสวดมนต์ สวดโดยการที่ไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจในสิ่งนั้นอันนั้นเป็นการประกาศบทพระปริตเป็นการประกาศถึงบทสัตว์จจ์ของพระรันตนไตรัยยังไม่หลังประกาศถึงความนอบน้อมข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีผู้ได้เจ้าผู้มีตาที่ผู้มีพระสลิมุงคลนข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสิคีผู้อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงผ่วหน้าอันนั้นคือการประกาศออกไปได้วยความรู้เรื่องไม่ใช่สวดไปเพียงแค่ผ่านๆอันนั้นเราทําความนอบน้อม การทำครอบน้อมความนอบน้อมแด่พระผู้ไเจ้านั้นมันสามารถ ม, มีอนุภาพอนุภาพแห่งความนอบน้อมนั่นเองที่เราทำต่อพระพูทธเจ้าแต่ละพระองค์มันจะปกปักคุ้มครองรักษาเราเป็นพระปรลิตเป็นความต้านทานเป็นปริตเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาหรือประกาศขึ้นมาว่าซัพย์เครื่องเพิ่มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือลัตนะอันปรนีในสวรรค์ซับเครื่องปืิ่มใจและลัตนาอนั้นจะเสมอด้วยพระธราคตไม่มีนี่คือรัตนะอันประนีในผู้ได้เจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าถึงความสวัสด like ิมงคล ถึงความปลอดภัยถึงความอยู่ดีมีสุขก็ว่าไปแล้วแต่จะให้ตัวเองเป็นยังไงคือใช้สัจจะในบทนี้อันนั้นไม่ใช่สวดสวดแบบติดอยู่ในภาษาที่สวดอั น, นั้นไม่ใช่ใช้ภาษาไทยที่เรารู้เรื่องแล้วเข้าใจนั้นเป็นการประกาศบทประกาศสัจจะแห่งพระรัตนาไตายออกไปนี่ก็ในบทพราารัตนตรัยรัตนปาริณนี้ก็กล่าวไว้ชัดเจนว่า ซับเครื่องเปื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นเขาว่าโลกอื่นนี่คือแม้แต่ในสวรรค์นะซับเครื่องเปื้อนใจอันนั้นทรับเครื่องเปื้อใจอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้สัจเกสุวายังรตนังปณิตังหรือทรัพย์เครื่องเปื้มใจอันเปื้มอันน่าเปื้มใจบนสวรรค์หมายถึงว่าอันที่พิเศษที่สุดบนสวรรค์ที่พิเศษที่สุดบนสวรรค์คืออะไรรู้ไหมอันที่พิเศษที่สุดของสวรรค์นเนี่ย สิ่งที่น่าเพื่มใจที่สุดที่เทวดาเขาเขาเขาพอใจที่สุดคืออะไรแก้วมณีโชธใช่ไหมเขาบอกแก้วมณีโชธนี่คือสิ่งที่เทวดาสวรรค์ต้องการมากนั่นคือสิ่งที่น่าเพื่มใจที่สุดทัพเครื่องเพื่มใจแลัทธิอันนั้นจะเสมอด้วยพระธรรคตไม่มีจะเสมอด้วยภัตธารมคดไม่มีนะแต่ทุกวันนี้เรามาสร้างทรัพย์เครื่องเพื่มใจแทนพระธรรมคต คืออะไรลูกเคารบเครื่องลังของขังวัตถุกปุกเสกมาสร้างเพื่อให้เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจว่าอุ่นใจปลื้มใจดีใจสบายใจกับสิ่งเหล่านี้ก็ทั้งทั้งที่บทนี้ในรัตนาปาริศบอกว่าไม่มีอะไรเสมอใช่ไหมเสมอพุทธเจ้าไม่ได้ใช่ไหมแม้จะสร้างขึ้นมาก็เสมอพุทธเจ้าไม่ได้ใช่ไหมเสมอไม่ได้ณนะโดสมังอัติไม่มีอะไรเสมอตาท่าคาเตนะพระตถาคตเจ้าแล้วทำไมยังแข่งกันสร้างอยู่ ทั้งๆ ท, ที่ไม่เสมอพระพุทธเจ้าเลยไม่สามารถเสมอเหมือนไม่สามารถเทียบกับพุะโองค์ได้แต่เราก็สวดบทนี้ไปบ้านไหนก็สวดบ้านนั้นในงานสวดมงคลพระนั่งเลยสวดพระเองสวดเองบอกว่าไม่มีอะไรเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ทําไมมัสตราแข่งกับพระพุทธเจ้าจะบ่ายไงเนี่ยพูดไปมันก็ชักจะขึ้น มันทำให้ศาสนาของเราถูกปฏิบัติแบบความงมงายกันไปมากก็อย่างว่าและศาสนานี้มีไว้สาหรับคนมีตาคนไม่มีตาก็มองไม่เห็นแม้แต่โยมวันชัยนี้ก็บอกว่าศีลผมยังไม่ดีผมไม่กล้าปฏิบัติอะไรไปมากกว่านี้ขอปฏิบัติในชั้นห้องศีลก่อนทธดเจ้ากล่าวไว้ใน พสูดหนึ่งในสิกขาสูดนี่แหละประมาณนี้นะสิกขาบทที่ทุรพลหมายว่าที่รักษาไว้ไม่ดีดนะสิกขาบทที่คนรักษาไว้ไม่ได้ดีหรือว่าขาดขาดหายหายไปเพื่อรักษาศีลยังไม่ดีอ่ะพระเจ้าแนะนําให้ทํำยังไงด้วยจเจริญสติปัาน4เพื่อกระทําให้สิกขาบทนี้บริบูรณ์เป็นสิกขาบทที่สมบูรณ์ได้ให้จเจริญสติปัญสีหมายถึงว่า องศ์สอนภาวนาก่อนด้วยก่อนเรื่องศีลอีกทั้งหากสามารถสามารถภาวนาได้เลยไม่จำเป็นต้องรองให้ศีบลบริบูรณ์หากเรามองตามองค์มากแล้วเริ่มต้นด้วยปัญญาก่อนใช่ไหมภาวนาก่อนนะหากมองตามองค์มา ก, ก น, นะสมาธิถี่สมาสังกปะนี่ใช่ไหมถึงจะเข้าไปหาศีลสมาวาจากรรมตาอาชีพใช่ไหมถึงจะเป็นสมาธิ ศีลที่เป็นส ม, มาวาร迦กรรมต่าอาชีวะนี้คือศีลที่ลองรับสมาธิแต่อะไรที่รับรองศีลสมาธิถิสมาสังกปะทั้งนั้นสติปัฏฐานสีจัดอยู่ในสมาสังกปะกับสมาธิิตรงนี้การเจริญสติปัฏฐานสีสามารถทําให้สีขาบทบริบูรณ์ได้ในบุคคลผู้ปฏิบัติในสีขาบทไม่ค่อยเต็มบริบูรณ์ทําให้สีขาบททุรพล นาจะอยู่ในสีขาสูตรถ้าจำไม่ผิด <c oughs> เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าต้องรอให้ศีลดีก่อนแล้วค่อยปฏิบัติไม่ต้องรอเราต้องเชื่อมโยงคําสอนผู้เจ้าให้ดีหากเราอา่านพระไตรปิฎ ก, กออกเราจะเข้าใจในศีลที่พระงคทรงสอนแม้ว่าผู้เจ้าจะสอนศีลสามาธิปัญญาก็จริงมันไม่ใช่ว่าต้องเริ่มต้นด้วยศีลนะก่อนที่จะเริ่มต้นด้วยศีลเราต้องมีสามาธิทีก่อนสามาสั้นกับปากก่อนถึงจะไปเริ่มต้นด้วยศีล สมาธิปัญญาปัญญานั้นคืออันที่ทำกิจในการละแล้วอันปัญญาอันสุดท้ายนั่นหมายถึงว่ามีสมาธิธมีสมาสังกปะมีศีลมีสมาธิปัญญาจึงทำกิจในการละละคือตัดแต่ถ้าไม่มีสมาธิธไม่มีสมาสังกปะมีศีลมีสมาธิปัญญาจะไม่มีทางละได้และตัดไม่ได้เพราะไม่มีการรู้ชัดด้วยสมาธิศีลที่เป็นก็เป็นศีลแบบให้มีสมาธิ สมาธิที่เกิดก็เป็นสมาธิแบบไม่มีสมาธิถิเพราะฉะนั้นความเข้าใจพุทธศาสนาควรเข้าใจให้รอบรู้รอบคอบ mm hmm. จะได้ไม่มีอะไรขัดขวางตัวเองในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองสําคัญที่สุดคือหลักคํำสอนนั้นสามารถฝึกฝนพัฒนาตัวเราได้ให้อยู่เหนือ การยึดมันถือมันในสิ่งทั้งปวงได้แล้วเราจะเห็นคุณค่าในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วเราจะเห็นคุณค่าในตัวองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวงไดยสงสอนหลักธรรมไว้แล้วได้สอนศาสนานี้ไว้แล้วก็จะได้เห็นคุณค่าแห่งพระธรรมเห็นคุณค่าแห่งความดีของพระสงค์ทั้งหมดเชื่อมโยงกันมาที่ตัวเราตรงนี้ มีอะไรจะถามไหมมีถ้าไม่มีก็จะหมดนะการไลฟ์สดในวันนี้ถ้าคิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่อ ง, องผมผอ่านอะไรก็ไม่เป็นาาแจแยกไปก็ออกคำว่าร า, า, าคาัปานาราคมันเป็นชั้นของการของจิตที่ถูกย้อมถูกย้อมผ้าที่ถูกสีย้อมหมายว่าผ้าสีขาวเอาไปใส่สีแดงสีก็เป็นสีแดงใช่ไ้ม เป็นผ้าสีแดงเนื้อผ้าสีขาวยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ครับยังมีอยู่นะมันคืตามไม่เห็นแต่มันก็มันก็ยังเป็นเพียงแค่แกว่าถูเคลือบด้วยสีแดงอันนี้คือราคะเปรียบเทียบนะสีแดงคือราคะ ไ, ไม่ใช่คือสิ่งที่เข้ามาย้อมจิตเรียกว่าราคะราคะนี้พระอนาคามีก็ยังละไม่ได้นะมันมีสิ่งย้อมจิตมากสิ่งที่ย้อมจิตอนาคามีก็มี รูปราคาอรูปราคะเห็นไหมราคายังติดตามแต่ท่านละตันหาตันหาแต่ละลําดับได้การตันหาท่านละได้ภาวะตันหาในภพท่านละได้วิภวะท่านยังละไม่ได้เพราะมีราคาอยู่ราคาถึงเป็นตัวสร้างวิภาวะตันหาตันหามันว่าทยานทยานอยากแรงอยากมีความอยากนะฮะราคามีเพราะมีราคาในรูปนั่นเองรูปราคะอรูปราคะ ในอารูปอารูปประชานรูปประชานกับอารูปรชานยังมีราคาอยู่สิ่งเหล่านี้ยังยังย้อมจิตท่านอยู่เมื่อท่านยังมีการถูกราคะย้อมจิตอยู่ท่านก็ยังต้องมีตัณหาในสิ่งนั้นอยู่จึงเป็นวิภาวะตัณหาแต่เป็นตัณหาในภพเ บ, บื้องบ น, นว่าราคาพีอยู่แล้วเป็นย้อมจิตเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วเสื้อผ้ามันถูกย้อมผ้าที่ถูกย้อมแล้วก็ มันก็ต้องติดมาอยู่แล้วถูกย้อมมาแล้วเียาะอ่อนหรือยังเพอาะมันเป็นภาพนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่เก่งเท่ามันคนเหมือนกับว่าเอาใส่เสื้อแดงอย่างนี้น ะ, ะใส่เสื้อแดงพอใจในสีเสื้อแดงราคาคือยินดีราคาคือความยินดีนะพอยินดีปุ๊บเราก็ ต้องมองหาเสื้อสีแดงมาแทนเสื้อตัวนี้ถ้าเสื้อตัวนี้ชํารุดนั่นนะคือรูปหลานครับ<อ>การการแสวงหาเสื้อสีแดงมาแทนตัวตัวนี้ถ้ามันชํารุดก็คือตั้หาครั<ย>บก็คือถ้าพยายามเพื่อให้ได้มาสิ่งที่อยากคือหาใช่แต่ไอ้ว่าอยากอยากที่มันมีอยู่ในใจนั่นคือหาครัใช่การย้อ <EC K S 1> นจิตความยินดีในจิต<โ> เช่นเรายินด yeah. ีในตัวเราเมื่อเรายินดีในตัวเรายึดถือในตัวเราคือยินดีในเราทั้งหมดว่าเป็นเราก็จะเยอะคือเกิดความอยากเพื่อตัวเองอยากกระทําทุกอย่างเพื่อตัวเองก็ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพื่อตัวเองราคากลับตันหาเป็นอย่างนี้มอย่างที่ฟังเรื่องของมอยากผมไม่ค่อยใจเท่าไรครับผม ตรงลงแสดงว่าไอ้ที่คนไทยเรียนกน้องวิญญาณออกจากล่างซึ่งไม่ใช่วิ ญ, ญญาณนเนี่ยเขาก็เกิดศาสนาใช่ไหมครับวิญญาณในทางผู้ศาสนาเป็นวิญญาณที่ไม่ใช่วิญญาณของคนตายที่ออกจากล่างเดินก้าวออกไปหรือลอยออกไปเป็นตัวเป็นตนตอย่างนั้นไม่ใช่วิญญาณในทางผู้ศาสนาแล้วไอ้ที่ว่าพอออกไปแล้วต้องไปตามเลืดอาตมนะครับผมแสดงว่าอันนั้น อ, อันนั้น มันเป็นการก่อตัวของขันแล้วเป็นรูป ana, เบธนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียบร้อยแล้วเป็นรูปใหม่เวทนาใหม่สัญญาใหม่สังขารใหม่วิญญาณใหม่ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนเดินออกไปจากร่างวิญญาณเกิดขึ้นที่ตาก็ดับที่ตาวิญญาณการรับรู้เกิดขึ้นที่หูก็ดับที่หูคือเสร็จสิ้นการรับรู้ที่เสียงก็ดับไปแล้ววิญญาณไม่ใช่ตัวตนที่ไปปรากฏขึ้นวิญญาณไม่ใช่สภาพที่พูดได้ไม่ใช่สภาพที่เสวยพิบากกรรมได้ไม่ใช่สภาพที่เป็นสุขเป็นทุกข์ได้ ไม่ใช่สภาพที่ไปปรากฏเป็นตัวเป็นตนตที่นั่นที่นี้ได้นั้นไม่ใช่วิญญาณการที่มีคนเข้าใจว่าวิญญาณเป็นตัวเป็นตนของคนที่ตายเดินออกไปจากร่างเมื่อตายแล้วเป็นชีวิตหลังความตายคือเป็นวิญญาณอยู่ในรูปของวิญญาณพระเจ้าบอกว่าเป็นมิจฉาทิฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ปิดกั้นมรรคผลนิพพานด้วยปิดกันนะ้นไปแล้วไม่สามารถกระทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานได้เลยหากใครมีความเชื่ออย่างนั้นแสดง ว, ว่าแสดง ว, ว่าถ้าเกิดบุคคลใดมีอคติอย่างที่เาเห็น อะไรออกมาจากล่างแสดงว่านั่นคือรูปแล้วใช่ไหมครับใช่ก่อตัวเป็นพบใหม่แล้วเป็นตัวตนใหม่แล้วเป็นรูปใหม่แล้วมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบทั่วบริบูรณ์แล้วทั้งห้าไอคนที่เห็นด้วยญาณอภิญญาเ น, นี่ยนะแค่เห็นแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเข้าใจไหมครับก็บก็มีฤือีดาบทแต่แต่ค ร, รั้งพิศกรเขาก็เห็นเขาก็เห็นว่าวิญญาณเหล่าเนี้ยเกิดออกจากล่างตายเออตายแล้วก็ ออกจากล่างไปเกิดเป็นภพใหม่จริงๆมันเกิดเป็นภพแล้วตอนที่ออกจากล่างเป็นภพเรียบร้อยแล้วเขาไม่รู้ตามความเป็จริงในกระบวนการแห่งการก่อเกิดพระพุทธเจ้ารู้ทีนี้ทีนี้พวกที่บัญญัติว่าพว ก, กฤาษีดาวบดแกยังกอที่บัญญัติว่าบีญญาณเป็นตัวตนตก็เพราะเขาเห็นอย่างเงี้ยเข้า<อ>ใจไหมเขาบอกบีญญาณเป็นตัวตน ชีพเป็นตัวตนรูปเป็นตัวตนเวท น, นาสัญญาสังขารเป็นตัวตนเป็นอัตาพี่ออกมันจะเป็นอัตามาแต่ที่ไหนวิญญาณอันเก่าก็ดับไปอันใหม่คือการก่อตัวใหม่ไม่ได้มีตัวตนอะไรเลยใช่ไห ม, ม, ไมล่ะแสดว่าต้องเข้าฌานนะถึงจะเห็นตัววิญญาณที่ไปดับติดอะไรช่วงนั้นนะครับผมช่วงที่ใกล้กลจะจะไปเข้าฌานทำไมไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่า ใครที่สามารถเห็นคำว่าวิญญาณได้จริงๆนะครับผมที่ไม่ใช่แค่พูดคําพูดเท่านั้นนะครับแต่ต้องเป็นสภาวะระดับเฉียดเฉียดอร่าหรอเปล่าครับไม่ต้องเฉียดเลยบุตรชนธรรมราธรรมราเขาก็เห็นคนเห็นผีออกจากคนนี่ก็คือบุตรชนเขาก็เห็นจะไปเฉียดอร่าหานะหมามันก็ยังเห็นผีที่คนตายที่เดินออกไปจากร่างกายคนนี่นะวิญญาณที่เป็นไปตามขั้วศาสนาพวกวิญญาณสำคัญ อันนั้นเห็นด้วยวิปัสนาเห็นด้วยวิปัสนาก็้แต่ชั้นสวดาบารนีก็เห็นแล้วชั้นสดาบารนีก็เห็นแล้วนะไม่ต้องไปเฉียดอรหันเลยนะก็เห็นแล้ววิญญาณตามความจริงว่าวิญญาณนั้นไม่ใช่ตัวตนแน่ไม่ใช่เป็นลักษณะของผู้ที่ตายออกไปจากล่างแน่เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยวิปัสนาญาณไม่จำเป็นต้องเอาตาเห็นแต่เมื่อเห็นด้วยวิปัสนาไปเรื่อยๆมันมีรู้เป็นอะไรตามันจะเห็นไปเองตาเนี่ยตาธรรมดาจะเห็นอย่างนั้นด้วยแปลกเหมือนกัน เมือนว่าจิตเห็นอะไรตาก็จะเห็นอันนั้นตาธรรมดาของเราตาเนื้อตานั้นเนี่ยก็จะเห็นอันนั้นอันคือเห็นแบบถึงตัวถึงตนถึงชัดๆถึงได้รู้ว่าการเกิดการดับมันเห็นตั้งแต่ชั้นมีปัศนา ย, ยังไม่เข้าถึงโสดาบันด้วยมั้งฉันมีปัสศนายานที่ละเอียดแล้วนะที่ละเอียดเพราะมันต้องเห็นครบในทั้งขันทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขยารวิญญาณเกิดดับเกิดดั บ, เ, ดดบเมื่อมารู้และทราบการเกิดดับของขันทั้งห้าแล้ว มันจะไปยืนยันในความเป็นตัวตนของวิญญาณไม่ได้ว่าวิญญาณเป็นตัวตนของคนตายที่เรหลุดใร่างไม่ได้เกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นการเกิดใหม่คือที่เป็นตัวออกใจร่างนันคือการก่อตัวของวิญญาณใหม่เรียบร้อยแล้วขันใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นรูปเวทนาสัญญาสัญขารวิญญาณในรูปของอมรุตธีปีศาจกวาไปหรือเทวดากวาไปทาไม พกเราบุตรชนธรรมดาหรือว่าที่ยังถูกกิเลสครอบงำเราถึงถอดถอนไม่ได้ครับแต่เมื่ที่เราคนรู้ว่าอขอท้องได้สิแต่เรารู้ว่ามันยกเช่นว่าเรารู้ว่าสังขาพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนวิเศษมาตั้งแต่อยู่ในท้องนี่ไม่ได้ตัดสัรู้มาตั้งแต่มันเกิดเนี่ยพวก็คือบุตุชนใช้กิเลสตามภาษาคนที่อยู่ในโลกเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผิดแผ่ไปจากคนทั่วไปคือปัญญาในการพ้นคิดหาความสงบ คือตัวสง บ, บที่แท้จริงไม่ใช่สง บ, บเพียงแค่ชั่วครังชวคราวที่พวงทรงสแสวงหามาทั้งชีวิตก็คือหนึ่งอะไรที่เรียกว่าสันติวรบท2 อ, อะไรคือความสุขที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่พวงค้นหาตลอดทั้งชีวิตแล้วพวงก็ตัดสู่เป็นสมาสัมพุทธ h เห็นมาสันติวรรบทที่แท้จริงคือนิพพานสุขที่สุดคือนิพพานนั่นคือปัญญาอย่างหนึ่งที่พวง์ทรงค้นพบในสภาพธรรม แม้มันจะลึกลับลี้ลับแต่พงศ ก, ก็มาทําให้แจ้งว่าสิ่งเหล่านี้มีขั้นมีตอนในการปฏิบัติก็บุรชนนั่นแหละมาเป็นผู้ปฏิบัติแล้วขัดเกลาจิตใจตัวเองเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ใช่คนที่พิเศษมาจากไหถ้าที่พูดในแง่คนทั่วไปพวกก็ไม่ต่างจากพวกเราทุกคนมีกิเลสเท่ากันแต่ในแง่ของสติปัญญามันต่างกันทําไมในแง่ของสติปัญญาต่างกันการคิดไข้ควรต่างกันแต่ละคนไม่มีความคิดไข้ควรอย่างที่ถูกต้อง พระองค์จึงมาสอนให้วิธีคิดอย่างถูกต้องคิดตามหลักเหตุปัจจัยรู้ทุกข์เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็ไม่ยึดมันแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะยึดมันไปตลอดรู้ว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เราจะยึดมันต่อต่อไปไหมแม้ยังจะยึดอยู่ด้วยการที่ความรู้ยังไม่เพียงพอเรายังยึดมันอยู่เพราะเราไม่ไม่มีความรู้มากแต่ยังน้อยเป็นการยึดด้วยความรู้อยู่ว่ามันมีทุกข์อยู่ในนี้มันเป็นทุกข์อยู่ในนี้แต่เมื่อเรารู้มากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้ามาเข้าความรู้ทุกขในตัวเรา มันจะค่อยถอนถอนถอนถอนเพราะเวลาเราเจอทุกแต่ละครั้งนั่นมันจะชัดเจนกับหลักสัจจะทําว่าเห็นไหมว่าันเป็นทุกเห็นไม่ว่าทุกเป็นสัจจ์เห็นไม่ว่าทุ ก, เ, รรร เ, ทกเกิดขึ้นแล้วนี่คือความจริงที่มันต้องเกิดต้องเป็นมันจะบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆจากการที่เรากําหนดรู้อ ย, อย่างนี้มากๆในตัวบุรุษชนมันจะค่อยถอนไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนถึงความหลุดหลุดจากการยึดมันถือมันก็บุรุษชนนี่แหละเป็นผู้มาปฏิบัติไม่ใช่ใครที่ไหนที่พิเศษแล้วมาปฏิบัติบางคนบอกว่าผมกิเลสยังเยอะอยู่ยยัังผมมไ่าจะปฏิิบต รอให้กิเลสหมดตอนพุงจะมาปฏิบัติไม่ต้องมาปฏิบัติหรอกกิเลสหมดแล้วจะไปไหนก็ไปหรอตัมมาไ <laughs> อ้กิเลสไอ้กิเลสหมดแล้ว ม, มาปฏิบัติทำไมไอ <laughs> ้พวกนี้พูดไม่มีหัวคิดเลยยังไงเลยมปนรู้เพื่อนนักตามเองนี่แหละให้เขามารู้นะครับผมว่ามันยากจังไม่รู้แบบ ทั่วไปคือรู้อย่างหนึ่งแต่ความรู้อย่างนี้ก็ดีอยู่ดีในชั้นของความรู้แต่เราต้องเพิ่มความรู้เรื่อยๆคือใส่ความรู้เข้าไปอีกใส่อยู่ไปอีกทุกครั้งตลอดรู้มีหลายรู้ไงที่พูดวิชารู้แบบวิชาคือการเรียนรู้รู้แบบสติคือการระลึกรู้เห็นไหมล่ะรู้แบบยานคือยังรู้รู้แบบปัญญาคือรู้ชัดรู้แบบพุทธะคือรู้จริง ไง yeah. รู้แบบวิญญาณคือรู้ตามสิ่งที่เข้ามาผัสสะเพราะฉะนั hmm. ้นเราต้องเราต้องตามหาความรู้จนไปถึงรู้แบบพุท ธ, ธคือรู้ความจริงจนแจ่มแจ้ ง, แ, ง mm hmm. แต่เราต้องตามไปไปอย่างนี้แหละวิชาญาณปัญญาแล้วเข้าถึงพุท ธ, ธให้ได้ mm hmm. สติและลึกรู้ไปเรื่อยเรื่อย mm hmm. ล, ลึกรู้อยู่ตลอดตื่นขึ้นมาก็ ล, ลึกรู้ว่านี้คือทุกตัวนี่คือตัวทุก กายกับจิตคือตัวทุกข์ตื่นขึ้นมาก็รับรู้นอนอยู่ก็รู้ว่านี่คือตัวทุกข์ทำการงานเคลื่อนไหวอยู่ก็ให้รู้ว่านี่คือตัวทุกข์เคลื่อนไหวอยู่ทุกวันนี้ก็คือตัวทุกข์การทําการงานทําอะไรอยู่ก็ตามก็ให้รู้ว่านี่คือตัวทุกข์ตัวทุกข์กำลังทําการงานตามกระบวนการของมันตามเหตุปัจจัยของมันการรู้อย่างนี้มากมากๆมากมามันจะถอนเพราะเรารู้ทุกข์มันจะถอนแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวทุกข์เราไม่รู้ว่าตัวนี้คือตัวทุกข์เราคิดว่ามันมีความสุขเราจะไม่ถอนเราจะยึดมันเพราะเราเห็นว่ามันมีส เราจะไม่อยากออกจากมันแล้วเป็นไปไดนะครับที่คนเราจะหลงตัวเองว่าเราถอแล้วแต่จริงๆก็ยังไม่ถอนดีก็เป็นไปได้ในบุคคลผู้ทํำวิปัสนาญาณอย่างแก่กล้าในบุคคลผู้ทํำวิปัสนาญาณแก่กล้าจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาเป็นสภาวะที่เหมือนกับเป็นผู้หลุดพ้นแต่ยังไม่ใช่หลุดพ้นเหมือนเสมือนหนึ่งว่าตนเองหลุดพ้นเพราะอะไรเพราะกิเลสไม้เกิดเพราะมีสติเต็มที่สติบริบูรณ์ คือบริบูรณ์ในขณะนั้นแต่ไม่ใช่บริบูรณ์แบบแบบทาาําลายอสวกิเลส น, นะเป็นการบริบูรณ์โดยมีสติเข้าใจระลึกรู้ในตัวเองหมดทุกอย่างสติสัมปชัญญะครบถ้วนกิเลสไม่เกิดเอก็น่าจะบรรลุในความหมายนั้นพอไปถึงสภาวะอันหนึ่งที่เข้าใจว่าบรรลุนั้นคือหลงได้อาจจะไม่เสื่อมในชาตินั้นก็เสื่อมในชาติหน้าด้วยกําลังของอิปัสสนาญาณที่แก่กลางนะ ชาติหน้าไม่เสื่อมก็จะเสื่อมในชาติต่ อ, ตอไปสุดท้ายก็จะรู้ว่ า, วาตัวเองยังตกอยู่ในวัตตาย่นิว่าเงี้ยก็ยังก็ไปดูตอนที่เกิดเมฆพบใหม่แล้วนีนะ้อันนั้นคือหลงเข้าใจว่าตัวเองละอุปทานได้อะไรที่นี่มีอยู่ประเภทวิปัสนาญาณบางคนหรือด้วยอำนาจของชาติที่แก่กล้าข่มกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นได้ ก็เข้าใจว่าบรรลุถึงแล้วด้วยฌานนั้นนั้นบางคนก็เขา้าใจว่าตัวเองบรรลุอยู่ตั้งหกสบปีก็มีคนคนที่เขาจะใช้คําว่าตัวเองมีสิ่สมบูบรณ์บรบูรณ์นะครับอย่างเช่นกรณีจะเข้าไปห า, าน้ําเรารู้ว่าตลาดน้ำเนื้อมดที่เดิอนอยู่ที่พื้นจะต้องตายแน่นอนคนที่เขาจะมีสิ่งบริบูรณ์คือเขาจะยกไม่ยกอากเลยหรือว่าก็อาบไปแต่ไม่จะไปคิดว่าจะไปฆ่าเขาในกรณี ศีลต้องแยกคำว่าศีลออกจากคำว่ า, าเมตตาเมตตาก็คือเมตตาเมตตาสัตว์ไม่ยอมอาบน้ำเพราะกลัวมดจะตาย น, นั่นเป็นเมตตาศีลไม่ได้เกี่ยวว่ามดจะตายหรือไม่ตายอาบน้ำคือการอาบน้ำมหาไม่มีเจตนาที่จะฆ่าศีลก็ไม่ค่ะส่วนคำว่าที่บอกห่วงศีต้องหวงศีลมาบอกห ว, วงชีวิตอะไรนี่ก็กยังไงครจะแบ่งคขามองเมตตาเบ่งเขาว่าหวงศีล ผมเองก็ที่ผมพูดเขาว่าผมว่าสินยังไม่บริบูรณ์เพราะบางทีก็รู้อยู่ว่าอย่างเช่นองอานน้ำเดี๋ยวม่ต้องตายไปเลยแต่จะให้ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่านั่งอยู่ตอนนี้เอเอาได้ได้ตั้งสมาตานสินไว้ใช่ไหมไม่ไม่ไไม่ได้ตั้งสมาตานสินไว้ใช่หมถคถามจะพูดวาพยายามทสินหน้าครับไม่ได้ตั้งสมาตานสินไว้ไม่ครับเพราะว่าผมก็เกิดตั้งไว้ตุวแล้วทาไม่ได้เพราจะยิ่งบังคับไปั้ต้องรอทำได้ก่อนถึงจะตั้ง คือต้องคิดมดแบบว่าถ้าอย่างเช่นแบบเป็นอย่างเช่นจะอาบน้ำถ้ามีมดไม่อาบยอมไม่อาบมีคือยอมให้ตัวเองเจ็บเพื่อโยชไม่ใผู้อื่นลําบากอะไรอย่างนี้ครับยอมให้อันนั้นเป็นการสร้างอัตราในศีลขึ้นมาหรือสร้างศีลที่เป็นอัตราขึ้นเราต้องเข้าใจว่าสัพเพ昙มาอัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนหรือไม่มีความตายตัวคําว่าไม่มีความตายตัวคือสิ่งนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปตลอด อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเคลียร์เคลียร์ออกจากกิจให้ได้ทําไมพระเจ้าถึงให้สมาทานศีล8ปดขั้มกับศีลห้ามวันปกติทําไมไม่ให้สมาทานนั่นหมายถึงว่าศีลบริสุทธิ์เมื่อเจตานาบริสุทธิ์วันปกติเขาต้องเลี้ยงชีพโดยการฆ่าสัตว์บ้างใช่ไหมล่ะหรือมีการเผลอที่จะเอาทรัพย์ของคนอื่นบ้างหรือมีการประพฤติผิดในกา ร, รมบ้าง ห hai, RIGHT? รือม <|so|>? ีการโกหกบ้างหรือดื่มสุดาบ้างนิดหน่อยจะไม่หล่ะเมื่อเป็นอย่างนี้เขามีการงดเว้นในวัน8ปดค่ำหรือสิบห้าค่ำในวันพระอาการที่งดเว้นได้ศีลเขาบริสุทธิ์ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ในวันปกติที่เขาไม่สมาทานก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเราะว่าใช้ชีวิตไปตามปกติที่เขาเป็น ทำว่ามีศีลบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์ตลอดชีวิตคนที่จะมีศีลบริสุทธิ์ตลอดชีวิตได้คือพระโสดาบันเท่านั้นใช่ในระดับบุตรชนนั้นได้แค่การบางคราวแล้วบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์ด้วยเจตนาไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยสีขาวบทเจตนาดูนะเจตนาที่จะละเมิดไหม ถ้าไม่เจตนาที่จะละเมิดมันก็ไม่ได้ผิดศีลไม่ได้เกี่ยวข้องเดินไปเหยียบสัตว์ตายก็กลัวถูกเหยียบสัตว์ตายรู้อยู่แล้วว่าต้องเหยียบสัตว์ตายกูไม่เดินดีกว่าอันนั้นเป็นโคปาละกัศีลใช่ไหมโคปาลกะศีลรู้ว่ารู้ว่าอาบน้ําแล้วน้ําจะไปถูกสัตว์ตายถูกมืตายก็ไม่อาบน้ําอันนั้นเป็นโคปาละกัศีลใช่ไหมวิจากโคปาละกัศีลไหมล่ะ ศีลของคนเลียเล้ยงโคคนเลี้ยงโคทําหน้าที่อะไรคอยนับว่ามีโคกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวในแต่ละวันแต่ไม่ใช่เจ้าของโคคอยนับโคคอยเลี้ยงโคต้อนโคเข้าออกไปสู่ที่กินแล้วต้อนโคเขา้าสู่ในข้อแล้วต้องนับทุกวันทุกวันว่าโคมีกี่ตัวโคปากักษาศีลของคนพระองค์โซเปียบเทียบว่าเหมือนกับคนที่รักษาศีลสีขาบทรักษาแต่ตัวสีขาบทไม่ได้รักษาที่เจียตนาเกตนาเป็นตัวศีลนะสีขาบทไม่ใช่ตัวศีลนะสีขาบทเป็นแค่ข้อปฏิบัต เป็นโทษที่เราจะต้องระวังแต่เจตนามันอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจรักษาเจตนาถึงจะถูกต้องรักษาเจตนาคือรักษาศีลไม่ใช่ไปรักษาที่ตัวสีขาวอดพอยไปนับว่าเราได้กี่ข้อเท่านั้นพ่อเท่านี้นข้อข อ, อยู่นั่นอ่ะนั้นโคปาละกับศีลแล้วแบบนี้ถ้าพูดแบบปรุปงปรุเลยคือแล้วเราจะต้องวางติงอย่างไงวางความคิดยังไงครับว่า อย่เช่นกรณีเดิมไเอาน้ล้างจานอย่า ง, าาาาา ง, าางี้ครับไม่ไม่ต้องไปวางความคิดอะไรทั้งสิ้นเราก็ทำเป็นกิจวัตรของเราเป็นปกติการดำเนินชีวิตของเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตำรวรู้ว่าทุกแต่เราก็ตาเราก็เห็นอยู่นะครับว่าเขาถึงการเสียชีวิตไปก็เจตนาฆ่าไหมก็ละล้างเก่ครับแต่เรารู้ว่าในาเจตนาลอยอยู่กับการล้างจานใช่ครับอา้าวเจตนาอยู่การล้างจานก็ล้างไป ถึงแม้ว่าตาเราจะยินภาษาเราจะหว่าดินจักระเด๋วจักรเด๋วรเงี้ยครับผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็รู้กาหนดรู้ทุกการเกิดเป็นทุกการเกิดเป็นสัตว์เลยงชานก็เป็นทุกยกกิตขึ้นสู่วิปัสสนาครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติแห่งการดารงชีพการตายเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรที่ เป็นเรื่องผิดปกติเราบอกว่าไม่อยากให้มดตายเราไม่ล้างจานเราไม่อาบน้ําเราไม่เกินเดินเดินไปตามพื้นถนนไมอยากจะเหยียบมดทว่าเราไม่อยากจะทําอย่างนั้นมันตายไม่ละมดเหรอก็ต้องตา ย, าตตายมันมีอะไรที่ไม่ตายก็เรียนรูษษษษษ้สัจจะไปธรรมราการดําเนินชีวิตความเป็นอยู่ของชีวิตมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยแหละโลกมันอยู่ด้วยการเบียดเบียนกันมีเว น, เนต่อกันมันก็เลยน่าเบื่อหน่ายไงมองไปในด้านนี้นี่คือลักษณะปัญญาในทางพุทธศาสนา คนตีความหมายคำว่าศีลผิดมากมากมากเลยนึก่มากยังไงมากมากส่วนมากโพพารักษาศีลพู้เจ้าบอกไม่มีผลมากอันนี้ไม่ไสงไม่มากเป็นศีลของนิคร อันนี้คือพวกรัฐที่อื่นเขาทากันมาแต่เกิดพุทธกาลแล้วนะที่ว่าเนี่ยเราจะไม่เดินออกไปในขอบเขต น, นี้เพราะกลัวจะถูกสาตายจะยืนในบริเวณนี้กําหนดแล้วละสมมาทานอุโบสถขึ้นอันนั้นผู้เจ้าบอกว่าเป็นศีลของนิ ค, นครน้นอางทก็จะไปทําทําไมมันไม่ใช่วิถีชีวิตปกติธรรมชาตินี่ผู้เจ้ารู้ความเป็นธรรมชาติพวงก็บรรยศ ใช้ชีวิตตามปกติรักษาเจตน า, าของตัวเองให้ดีเท่านั้นเองอย่าให้เจตน า, าไปคิดที่จะฆ่าเท่านั้นแหละเข้าใจยังถ้าถามผมว่ า, าเจตนาของผมตอนนั้นคือในเช่นต้องอ า, า, อางน้น า, ายังไจะไปอาบน้ำเพราะผมง่สบายตัวจะไม่ทำไม่ า, าน้า <c oughs> ก็จะนอนไม่ได้อะไรอย่างี้ครับไม่อาน้าก็จะหมึอะไรอย่างี้ครับผมก็จะาเจตนาของผมณขนานั้นนะครับผม <c oughs> <อ>คือหวมตัวเองในเรื่องวอะไรก็ชังังเขาเออ อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็รู้สึกผิดอยู่ข้างในว่าเอ้ยเราก็มันก็เลยมันทำให้ไม่กล้าพูดออกไปครับผมว่ตัวเองมีสีนห้าเลยครับอกอะไแค่บอกว่าพยายามถือสินห้าพ อ, อใจแล้วนะไหนจะตอบคาถามว่านาราชินตินว่าถามว่าผู้รู้ไม่ถามผู้ถามไม่รู้คืออะไรครับ ไม่ตอบอะไม่รู้เอาคำถามมาจากไหนไม่รู้ใครตั้งใครตั้งอันน out, ีญญขน้ขึ้นมานะปัดญาข้อนี้ขึ้นมาผู้รู้ไม่ถามผู้ถามไม่รู้ไม่รู้ใครตั้งคําถามใครตั้งตั้งปัด ญ, ญาข้อนี้ขึ้นมาก็าได้ยินมาเยอะเหมือนกันนะในปัด ญ, ญาข้อนี้มันเป็นปัด ญ, ญานอกศา ส, สนาฮ <feet away, S 1> <ล>ะเ มันไม่ต้องคิดอะไรเลยผู้รู้ไม่ถามรู้แล้วจะไปถามทำไมผู้ถามไม่รู้ก็ถูกแล้วไม่รู้ก็ต้องถามไม่ต้องไปคิดก้ไ่รู้จะตอบไปทำไมเนี่ยหวห้าหัาจารยฮะหัวร้างไม่รอกเขาก็สงสัยมันก็ถูกอยู่เขาก็บอกว่าผู้รู้ไม่ถามก็รู้แล้วก็ไม่ต้องถามแต่ถ้าถามอยู่คือไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ต้องถาม พระอาาหันยังถามกันเลยใช่ไหยท่านชื่ออะไรยังถามกันเลยนะเเราชื่อปุณณมันตานีบุตรภาษารีบุตรไงถามเราชื่อปุณณะมันตานีบุตรเอ๋อท่านเป็นพระปุณณมันตานิบุตรที่พระโยโองทรงสารเสวนี่เองพระปุณณมันตานิบุตรก็ถามคืนท่านชื่ออะไรก็เราชื่อภาษาลิบุตรโอ้โหท่านภาษาลีบุตรเป็นนักภาสาพวกเบื้องขวาพระองค์นี่เองก็เพิ่งจะรู้ก็ไม่รู้ก็ถามกันพระอาหันท่านก็ถามกันอยู่ แต่ก่อนที่จะมาถามชื่อกันอย่างเงี้ยถามธรรมะกันมีรู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะเรื่องรถเกตขัดเนี่ยถามพระสารีบุตรเป็นผู้ถามปุณณมันตานิบุตรเป็นผู้ตอบถามต่อถามต่อถามตอบกันจนถึงวิมุติถึงวิมุตติถามเสร็จโอ้ทาไมตอบได้แจ่มแจ้งอย่างนี้ไอคนตอบก็ถามก็ตอบว่าโอ้ทาไมถามได้ถามได้อย่างอัศจรรย์อย่างนี้คนคนอื่นคงไม่เคยมีใครถามอย่างนี้นะอ๋ถ้าเป็นท่านสารีบุตรนี่เองจึงถามได้เป็นปัญญาอย่างนี้นะเกิดปัญญา โอ้ท่านปุณานันตานิบุตรนี <larda> <dash> ่เองจริง <ham> ที <t ian> ่ตอบอย่างนี้ก็ได้รู้ไงภูมิธมกันแล้วกันก็อย่างนั้นแหละนะเราตอบแค่นี้แหละจะว่าไม่ตอบเรตอบไปแล้วพอแล้วมั้งเนาะเอาละพอสมควรแก่เวลาในวันนี้เท่านี้เจะคุยกับโยมบสโอ้โยมบโอกาสนานนามาที